อาจารย์ครับร ก, การรำัสการครับผมญาณพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ผู้ภาอาจารย์วันนี้ผมนั่งฟังหน้ากุดพระอาจารย์ดูคนแน่นๆน่นไหมครับพอาจารย์วันนี้ร้อยกว่าร้อยหกสิบหกคนโอครับผมมีเข้าไปนั่งอยู่ในป่ามองไม่เห็นงมีนั่นขงข้างๆกุฏิข้างๆมจะมีป่าอยู่เล็กๆหย่ อ, ยๆอยนๆไม่นข้าไปนั่งอะไรอย่างนี้ อ๋อแล้วถ้าคนไปแบบเต็มเต็มที่เลยนี้ได้สักกี่คนครับอาจารย์รก็ยังไม่เคยสมัยที่วันเก้ามิถุนายนเกือบสามร้อยมันประมาณนั้ น, นช่องเข้ามิถุนายก็คงอยาประมาณสามร้อยปีใหม่ก็อาจจะมากนะหน่อยคึ้นไมก็อยู่บนเขาไปขึ้นถึงประมาณท่าห้าเอาไว้นด้ที่คนไปครับแต่ก็นั่งไปตามมีตามเกิดที่ไหนที่นั่งเขาปูเสื่อนั่งกันไปไม่ได้มีการจัดที่นั่งอะไร ครับทีมงานก็ยกลําโพงไปวางไว้ตามจุดเท่านั้นเองใช่ไหมครับตามจุดเท่านั้เองครับผมครับอาจารย์ครับวันนี้อาอยากผมตั้งหัวข้อเรื่องสัพพายะครับอาจารย์ครับกายวิเวกจิตวิเวกครับอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความเล่าให้พวกเราฟังเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับคือคาว่าสัพพายะนี้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็แปลว่าสบาย สะดวกสบายคือการภาวนานี้ก็ต้องมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้พ อ, อนะคสิ่งที่มีสปา ย, าย่ามีอยู่สี่ห้าอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือสถานที่สปายะหรือที่อำนวยความความสะดวกให้กับการภาวนานหรือไม่ที่ ท, ที่อำนวยก็คื อ, คอที่สงบสงัดวิเวก ที่เราเรียกว่ากายวิเวกวิเวกทำกายเพราะว่าถ้ากายวิเวกแล้วการที่จะทําให้จิตวิเวกมันก็จะได้กว่าการไปอยู่ที่ที่มันไม่วิเวกเช่นไปอยู่ตามวัดในเมืองที่มีงานศพนมีงานมหาระศต่างๆนอนไปนั่งภาวนาดูแล้วม่เสียงเครื่องขยายเสียงกล้องระวนันทั่ววันถอย่างนั้นไม่ไม่เป็นสบายอะก็สถานที่ไม่สับายอะ งั้นผู้ภาวนาต้องรู้จักเรื่องสถานที่ที่สบายะที่เอื้อต่อการภาวนาไม่ใช่เป็นขัดขวางการภาวนาที่เอื้อก่อสถานที่ก็ต้องเป็นสถานที่สงบสนัดวิเวกเขาเรียกว่ากายวิเวกทางกายกายภาพทุกทางทางกายภาพเมื่อสถานที่สงบมันก็จะทําให้จิตวิเวกง่าย ไม่ต้องพันฝ่ากับอ่าเสียงรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆเพราะพวกนี้มันจะเป็นนิวรณ์ถ้าไปสำลายกับรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันเกิดกามฉันทะขึ้นมาให้ยินเสียงแล้วเกิดความอยากในเสียงนั้นเช่นเขาเปิดเพลงฟังแล้วเพลงเก่าเพลงเราชอบเนี่ยเดี๋ยวเราตามที่จะไป <c oughs> ทำใ <c oughs> จซะก็ <c oughs> หรือวางทีเขาเปิดทีวีเห็นภาพแล้วชอบอยากจะดูภาพแบบนี้กแ็แล้วภาวนาด้วยกันไปดูทีวีก่อนมีถ่ายทอดสดรายการพิเศษอะไรก็เอ า, าไปนนี้คือสถานที่ที่ไม่วิเวกไม่สับบายสถานที่ที่ไม่สงบสถานที่ที่มีรูปเสียงกิจนรสผดละพระมาคอยยั่วยวจนใจอันนี้ก็ มันก็จะทำให้การทำจิตให้วเวเวกเกิดจะทำจิตให้สงบนี้ลาบากครับงั้นผู้ปฏิบตัติต้องเลือกสถานที่ที่วิเวเกว่านอกจากสถานที่แล้วก็มีอย่างอางื่นอีกที่ต้องเอาทำเนินถึงสถานที่วิเวกแล้วบุคคลอาบุคคลสถานที่สปายะแล้วก็ต้องไปดูที่บุคคลที่อยู่ที่นั่นด้วยกันว่าเป็นบุคคลที่สปายะหรือไม่ คือเป็นบุคคลที่เงียบสงบชอบภาวนาหรือเป็นบุคคลที่ชอบทำงานภายนอกทำอะไรต่างๆแทนที่จะภาวนากลับมาทำกิจกรรมทางด้านอื่นแทนอาจจะปลูกกุฏิสร้างกุฏิสร้างที่พักที่อยู่อาศัยหรือจัดการอบรมมีคนมาเป็นหมู่เป็นะใหญ่ๆ อย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่เหมาะสำหรับผู้ต้องการปริกวิเวกภาวนาเพราะว่ามันมีบุคคลที่เขายังไม่สําูรมพอพวกที่มาเป็นกลุ่มกลางก็จะเจยกันว่ามักจะวุยกันอะไรทำไรกันอันนี้คือเราต้องไปอยู่ในที่ที่คน ท, ที่ที่นั่นชอบปริกวิเวกไม่ไม่ชอบพวกคีกัน ไปเจอที่คนเขาชอบลูกเพีกันเดี่ยวเาชวนเราไปคุยด้วยชวนเราไปทําอะไรด้วย mm. อันนี้ก็เรียกว่าบุคคลไม่สับบายแะ mm. คือไปอยู่กับคนที่ไม่ภาวนาต้อง mm. อยู่กับคนที่ภาวนา mm. แล้วบุคคลสับายยากที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์ mm. ผู้นำํำถ้าได้ผู้นําที่ดีผู้นําที่สานเรื่องภาวนาอา mm. จารย์ เป็นประโยชน์มากอ่าในผู้นําที่ไม่ไม่สนใจเรื่องภาวนาะอยากจะให้ไปทำอย่างอื่นแทนนไปสวดมนต์ไปทํากิจกรรมร่วมกันอะไรนี้ทากิจกรรมเป็นหมู่ไม่ไม่ได้ทํากิจกรรมเป็นเพงเพราะกลัวว่าถ้าเป็นเพียงเขาไม่รู้ ท, ทําหารือเปล่าเนี่ยที่เขาบังคับให้ไปทํำบวชไปนองบวชเช้าเย็นก็กลัวว่าถ้าไม่บังคับเราจะไม่ไม่รู้ว่าไปทําอะไรกัน ไม่รู้ว่าอยู่ที่พักของตอนนีออ้ทำอะไรกันอยู่ก็เลยมีกฎระเบียบตามวันต่างๆให้เราทำมาส่วนวันที่โบสถ์ที่ศาลาซึ่งมันก็เป็นกิจการมันถ้ามันบังคับแบบนี้ก็แสดงว่าคนที่ไปอยู่ที่นั่นอย่างคงจะต้องถูกบังต้องให้บังคับถึงจะไปถ้าเป็นที่อย่างนี้คนที่ชอบฤเว ง, เรงจริงๆก็ไม่ไม่ไปอยู่ที่อย่างนันเพราะเขาไม่ชอบที่จะไปทำฤ ทำกิจร่วมกับผู้การภาวนานี่มันไ ม, ไม่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลดีเท่ากับการทำตามลำพังตอนนี้เราจะเลือกไปทาที่วัดที่ไม่มีการทำวัดสดมนวัดป่าต้นตาที่เราไปอยู่นี้ไม่มีทําวัดสดมนใช่อหวัดคำํำวัดเย็นวัดช้าไม่มีมีแต่เวลาอาจารย์จะอบรมสั่งสอนก็จะเรียกประชุมมาข้ามในตอนหกขั้ง จุมมัวร์ละสองชัมม่วโมงแสดงเทพธรรมาให้ฟังเราเรื่อการปฏิบัติชองท่านให้ฟังก็ประมาณต่อประมาณสองยุมม่วโมแล้วเลิกลากันกลับไปปฏิบัติต่อที่วัตาวัดด่านในยุคที่เราไปอยู่ใหม่ๆเป็นอย่างนี้จะไม่มีการลองทาวัดช้าเย็นไม่มีการตีราคางอะไรถ้าจะเป็นจะต้องมาลงไหนกม็มี กรรมเช่นงานกระถิ่นอะไรอย่างนี้ที่ต้องมาทำร่วมกันนี่ลงปฏิโมกข์นะครับยังอย่ามีการมาทํากิจร่วมกันท้กครั้งหนึ่งปฏิโมกข์ก็เดินมาสองครั้งกระทิ่นก็ปีละครั้งอะไทรทำนองนี้ดังนั้นก็เน้นการปีนี้เวงเพราะในึ่งหลวงตาทั้ง น, นมั่นใจว่าคนที่ไปนี้ต้องการราวนาะเพราะหลวงตาจะดู ดูท่าทีอาการดูอยู่ปิยานูพฤติกรรมก็จะรู้ว่าเป็นคนภาวนาไม่ภาวนาถ้าไม่ภาวนาท่า น, นก็จะไม่ให้อยู่จะให้อยู่ชั่วคราวเพื่อเป็นควอลติ น, นหรือเปลกักตัวไว้ <Yeah. S 1> ดูว่ามีเชื้อเชื้อทางไหนเชื้อทางธรรมหรือเชื้อทางเกล็ด <Yeah. S 1> ถ้ามีเชื้อทางเกล็ดก็จะไม่ให้อยู่นานถ้ามีเชื้อทางธรรมนั่นกระจายนิญาให้อยู่ได้ ต้องมีคนที่รู้จักดูคนดูว่าเป็นคนชอบภาวนาหรือไม่เป็นอาจารย์เป็นคนคอยที่จะเลือกคัดสรรมาอยู่กับหลงตาเนี้ไม่ใช่จะไปขออยู่เพราะท่านจะรับทันทีนะแต่ก็เอาอยู่ไปก่อนชั่วคราวดูที่ว่าเป็นยังไงพอถึงเวลาท่านจะบอกว่าอยู่ได้หรือไม่ได้ครับผม ถ้าเป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์อย่างนี้แล้วมันจะมันจะดีมากครูบาอาจารย์จะคอยคัดสรรคนที่เป็นสปายะคนที่ชอบภาวนาไม่ชอบยุ่งกันไม่ชอบไม่ชอบคุกคีกันไม่ชอบทำกิจวัตรอย่างอื่นชอบภาวนาเป็นหลักนี่อันนี้ก็เรียกว่าบคุคคลสปายะ ที่ต้องคํานึ่งเทนเวลาแล้มีสถานที่แล้วสถานที่เป็นที่สงบแล้วแต่คนที่อยู่ที่นั่นยังทํากิจกรรมอะไรอยู่หรือเปล่าเน้นการภาวนาอย่างเดียวสปายะส่วนนิสาที่ผู้ปฏิบัติอจะต้องคํานึงถึงก็คืออาหารอาหารสปายะอาหารที่เราไปอยู่นั้นเป็นยังไงอาหารที่เรากินได้ไหมหรือว่ากินไม่ได้กินแล้วเรื่องกินแล้วทําไม ร่างกายล้วไม่สบายอะไรอย่างนี้ก็응ต้องวิเคราะห์ดรือว่าเป็นเป็นที่อาหารเป็นอาหารที่เ อ, เอื้ออำานว่ยต่อน่างกายให้น่างกายมีกำลังวังชาไม่มีอุปสาษะไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บจากการกินอาหารอยู่นในสถานที่นั้นอีกอยอีกสปายนะนงก็คืออากาศสปายะ ก็นำเสนอมาว่าดินฟ้าอากาศที่ไปอยู่ว่าเนี่ยร้อนมากหรือหนาวมากเมนไปหรือฝนตกน้ําท่วมบ่อยอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาเอามาพิจารณาดูว่ามันอากาศเอื้อต่อการภาวนานหรือไม่หรืออากาศนี้ทําให้เป็นอุปสรรคเช่นไปอยู่ที่มันร้อนมากๆภาวนานไม่ค่อยได้หรือหนาวมากมาก หาหสถานที่ที่มันพอเหมาะแต่มันกาจจะอยู่ที่เฉลี่ยด้วยบางคนชอบอากาศร้อนก็มีบางคนก็ชอบอากาศหนาวก็มีแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนี่ก็คือลักษณะของสัปปายะทัจาได้สี่ข้อแต่อาจจะมีห้าข้อจําไม่ได้ครับที่ผูนะ้ภาวนาต้องคํานึงถึงว่าเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการบำเพ็ญ้งหลย ถ้าเอือก็เลี้ยงสบายนะถ้าไม่เอือก็เลี้ยงไม่สบายนะ แ, ลแล้วแต่งกับข้อไหนเด่นที่สุดมีไหมครับแบบท่านเลือกไม่ได้ครบสี่อย่างเนี่ยครับอาจารย์ก็ <c oughs> เอาอาจารย์ก่อนนะครับแต่ถ้าอาจารย์แล้วอที่ที่เก็ต้องสบายนะาอะเพราะอาจารย์ท่านถ้าเป็นอาจารย์หางนอนนี้จะได้สออย่างที่สําคัญที่สุดก็คือสถานที่กับอาจารย์ อาหารเช่นเราเป็นคนภากลางไม่เคยกินอาหารทางอีสานเนี่ยางทีก็ต้องหัดกินออกก็พอถือว่าเป็นกินยาพอให้มันไปดับความหิวได้ครับผมแล้วคือที่นั่นมันดีอย่างม่พ้าต่างชาติถ้าต่างชาติก็ไปอยู่ได้้องกินอาหารอีสานได้เราก็ต้องกินได้ <c oughs> แต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออาจารย์ <c oughs> ผู้สอน ล ง, ลงมาคือสถานที่ซึ่งมัจะไปคู่กันท้าอาจารย์บีเจงแล้วที่วัดของท่านจะต้องเป็นวัดที่วิเวกวัดที่สงบแล้วก็ลกแล้วมีการรักษาความวิเวกด้วยไม่ปล่อยให้คนเข้ามาพุกพลาดคนจะเข้ามาวัดที่หลวงตาในสมัยก่อนนี้มีเวลาท่านกำหนดเวลาจ ะ, จะมาเข้าวัดมหาพระหรือมาทํำบุญนี้ต้องมาตอนเชา้าแล้วถ้าตอนบ่าย ถ้าอยากจะมากาบท่านก็มีเวลาช่วงหนึ่งให้ให้ญาญโญมากราบท่านได้มีสองช่วงนันที่จะอนุญาตให้คนข้างนอกเข้ามาในวัดครับอาจารย์ครแล้วเพื่อนท่นสอนคนบ้างไหมครับไม่้วญาญโ ย, ย, ายมาครับที่ไม่ใช่คนญาญโญท่านก็สอนมันพระในตอนเช้า <c oughs> ที่คนมาทมําบุนใส่บาอร <c oughs> มีทั้งชาวบ้านมีทั้งชาวเมืองก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมมันพระท่านีก็จ ะ, สะแสดงทําให้กับ ญาติโยมที่มาใส่บาตรชันตอนเช้านะจะท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็จะเทศธรรมให้ฟับหรือว่าถ้ามีญาติโยมมาวันอื่นท่านก็อาจจะพูดคุยธรรมะบ้างให้ให้กติธรรครับเขาแต่ถ้าไม่ได้เทศแบบเป็นเป็นการเรือวเป็นตั้งน้าโมอะไรท่านก็นคุยกันสนทนานกันมีอะไรก็บอกให้ฟังกันไปให้เกิดความเข้าใจ ้าใครสงสัยอยากจะถามอะไรก็ถามท่านก็จะตอบให้เขฟังแล้วก็พยายามควบคุมไม่ให้มีการกอร่อสร้างไม่ให้มีกิจกรรมมากเ่อนไ ป, ไปถ้าจะสร้างก็ต้องมีเว ล, เวลาด้วยซึ่งบางทีสมัยนั้นปีหนึ่งท่านยานุ ญ, ญ, ญ, ญาตให้สร้างบุติเพิ่มขึ้นมาสักหลังหนึ่งแล้วก็จะเน้นเอาพระพระในวัดช่วยกันทำ น, นี่บาท่านก็เป็นช่างไม้ช่าง i, อะไรพอที่จะทําทมันได้ถ้าไม่ต้องการให้ค า, ารวะเข้ามาเพราะคารวะไม่สํารวมเข้ามาแล้วจะทำเสียงกระทึกทุกขโมงแล้วการก่อสร้างก็ไมีเวลาเลิกคือไม่ให้ทำเกินเวลาพอเริ่มเย็นแล้วท่านบอกให้เลิกให้ไปภาวนาะต่อไม่ใช่ทำกระทั้งพบคํา ม, มืดได้จุดไฟทําต่อเลยอันจะไม่ไนุญาตใ้ทำอย่างนั้น และใช้ทำเฉพาะช่วงที่ออกพรรษาครับช่วงเข้าพรรษานี้จะไม่ให้ทํากิจกรรมอะไรนอกจากการภาวนาเพียงเดียวฟังดูแล้วสปายเะมากครับอาจารย์เดี๋ยวนี้หาแนี้ไม่ได้แล้วหาได้ยากมากแล้วครับยากแต่พอท่านมีชื่อมีเสียงท่านคอยเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากทุกคนความสงบก็ น้อยลงคนท่านสงสารเลยคนไม่มีที่เพิ่งเขาไปขออยู่กันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นท่านเองก็อยู่ไปมากขึ้นยุคที่เราไปอยู่ใหม่ๆนี้ท่านรับไม่เกิดสิบแปดลูกครับแต่ระยะหลังนี้ช่วงปลายชีวิตของท่านเองพักเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงหกสิบเจ็ดสิบลูกครับท่านก็เมตตาสงสารแต่ท่านบอกว่ายิ่งมากมันยิ่งคุณภาพมันยิ่งไม่เข้มปริมาณมากนครับ คภาพมันย่อนหย่อน ย, ยานแต่ก็สงสารพระเนรที่อยากจะไปศึกษากับท่านท่านก็รับตอนพระอาจารย์ไปใหม่ๆก็ยังไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมครับหลวงตาไม่อันวยก็วันแรกไปกราบท่า น, นท่านก็บอกว่าอยู่ไม่ได้นะอยู่ได้ชั่วคราวนะคร้โหแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรเยหยดตั้งเวลาประมาณเดือนกว่าสองเดือนคือเราไปเดือนเมษายนนะครับเดือนมิถุนา มีษา พ, ษาพุทธสภาเมตุนากับสามเดือนช่วงข่อนเข้าพัรษาประมาณเดือนอย่างนี้ท่านก็จะเลือกผ้าให้อยู่จาพรรษาด้วยครับท่านก็บอกว่าเอางั้นอยู่ได้นะเอานนี้อยู่ไม่ได้แล้วพอมาถึงเราท่านก็ถามว่าจําได้ไหมเราบอกว่าอยู่ไม่ได้ที่นี่อยู่ได้ช่วข่าวเราก็ไม่ได้ตอบแล้วรับฟังท่านท่านท่านถามแบบไม่ให้ตอบท่านจะถามแบบของท่นไป เราก็ฟังไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็ท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันท่านก็พูดแค่นั้นนะแล้วพอดีช่วงนั้นท่านก็มันก่อนจะเทศท่านก็เทศหยุดเรื่อมพระเสร็จแล้วท่านก็เทศต่อแต่เรายังไม่ได้ข้อสรุปท <c oughs> ่านเองแต่ว่ า, ถ, า, ถ, าถ้าตามที่ได้ตกลงกันว่าก็ท่านก็อยู่ไม่ได้นะท่านพูดอย่างั้นครับแล้วท่านก็เทศไปสแสดงธรรมคุยเองไปจนเงี้ย ถึงเวลาเลิกลุกขึ้นมากับพระกอนก่อนจะกับพระท่านก็พูดว่าตองนั้นน่ะท่านจะอยู่ก็อยู่นะท่ท่านทดสอบแล้วครับะอาจารย์ก็ไม่รู้แหละตอดูว่าดูว่าจะนิ่งหรือไม่นิ่งของท่านสังเกตดูถ้ามีอาการโต้แย้งเรืออะไเที่ยงเถิ่อนขึ้นมานี้ก็อาจจะ เกิดเราอยอมรับเงื่อนไขทุกประการท่านได้อยู่ก็อยู่ท่านไม่ได้อยู่แล้วก็ไปไม่เดือดร้อนอะไรคเพราะเราก็คิดอยู่ในเบื้องต้นว่าตอนที่เราไปนั้นแล้วก็ไม่ได้กะเจาะจงที่จะไปอยู่กับท่านเลยไปขออยู่กับท่านโดยตลอดเราเพียงแต่ทราบขาวว่าทางภาคอีสานมีครูบาอาจารย์หลายรูปในหลายสำนักด้วยกันก็ ค, คิดว่าอยากจะไปลองสัมผัส ด, ดูตามสำนักสำนักต่างๆ แต่พอไปอยู่ไปถึงวันา่ามวันตานเป็นวันแรกก็ถูกถูกใจคือเป็นที่ที่เราต้องการพอดีคือที่สงบที่ภาวนาอย่างเดียวนอนบวนมาเนี่ไม่ได้มาคิดที่จะมาทำกิจกรรมของสองเรื่องบุญบางสองส่วนเรื่องเก็บนิมนต์เรื่องไปรับสังฆทานเรื่องไปสวดศพอะไรนี่เราไม่ได้คิดจะทำเรื่องงานเหรอานี้เราอยากจะภาวนาอย่างเดียวเพราะเราศึกษาแนวทางของสติปัฏฐานสี่ ตอนที่เราเป็นคาราวาสสประธานสีไม่มีบอกเรื่องงานสศพเรื่องการงานบุญสังส่วนอะไรเรื่องกิบนี้หมดเลยไม่มีเลยมีแต่ให้เจริดสติให้ปีกวิเวกตลอดทั้งวันเราก็อยากจะไปหาว่าอย่างนั้นก็เชื่องดีวันแรกไปเจอก็อเจอวันอย่างนั้นจริงๆถึงแม้จะมีงานบ้างท้ายบทีท่านก็ไม่ให้ไม่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไป ท, ทําให้ก็ไม่ว่าอะไรถ้ามีงานก่อสร้างมีงานอะไรที่ ที่เป็นงานไม่ได้เป็นปกติงานปกติที่ต้องทําก็คือบิณบาตปัดกวาดนี่ต้องทํำทุกวัน ง, งานพิเศษนี้ก็จะไปทําก็ได้ไม่ไปทําส่วนใหญ่ก็ต้องไปทำเพราะเกณฑใจกันแล้วครูบาอาจารย์ท่านให้ทํานะครับเราก็เคยลองไปช่วยงานเพราะงานก่อสร้างอยู่วันสองวันแล้วพอท่านสะเพริดก็ตลวดท่านอยจะมาเกกะที่นี้แเลย <c oughs> ท่านคงจะเห็นว่าเราชอบภาวนามากกว่าก็เลยเป็นอุบายพูดแบบว่าคือใช้พูดว่ายกเว้นท่านกรณีพ <oh, ิเศษมันก็ฟังแล้มันดูเกินไปก็เลยใช้แนวเหมือนเราเรานี้ไม่ได้ท่าไปเกะกะว่าซึ่งงานนัะพวกนี้เราก็ไม่เคยทำเพราะเราเป็นนักศึกษาเรียนไม่เคยทํางานช่างไม้ช่างปูนอะไรก็ตามเขาทํากันเราไปทํามันก็คือ เขาขะอะไรก็เลยว่าเกตกาไม่ต้องมาไปไปภาวนาไปาเราก็เลยได้รับการยกเว้นหลังจากนั้นเวลาที่ทางวันนดในคณะสงคิดจะทำอะไรเขาก็จะคันเราออกไปไม่ให้ว่าเขา้าร่วมกิจกรรมอนะไรพิเศษปล่อยให้เราภาวนาอย่างเดียวเพราะตอนระยะหลังนี้ทางมัดก็มีการจัด คิว uh, ให้พระทำเวรอย่างทำ mm hmm. เวรน้ำร้อนต้มน้ำร้อนเพราตอนบ่ายจะมีการมาฉันน้ำปะนะก็ต้องมีผ้าไปเตรียมต้มน้ำร้อนเตรียมรับประเคนถ้วยอะไรต่างๆของต่างๆเวลาพระมาจะได้ไม่ต้องมาทำเอง mm hmm. ก็จับเป็นเวรเวรธาติแล้วก็มีเวรอยู่ศาลาว่าจะเป็นที่จะคอยเวลามีญาติโยมมาก็จะมีพระเวรนี้ไปกบ ไปต้อนรับไปถามว่ามาทำไมอะไรตนะ่างๆาการพลดหลงตาได้ไงก็จะต้องไปดู ก, ก่อนว่าหลงตาสะดวกไม่สะดวกอะไรก็จะมีภาพเวนอยู่เขาก็ไม่จัดเราเข้าเวนเขาปล่อยเราโชงดี <c oughs> ท่านท่านรู้ท่านรู้นิสัยรู้จริตนะครับอาจารย์ก็คงจะเห็นนะท่าวมจกกันทั้งวันพิเรนะและก็ไม่เคยออกไปเพ่นพ่านนอกจากที่เราอยู่ในกุฏิเรา <Okay. S 2> พอถึงเวลากับอุติแล้วก็อยู่ที่อุติเราเดินอยู่บนนั่าสมาธิของเราไม่ออกมาแถวลงน่ำร้อนไม่ออกมาทําอะไรบางองค์หออาจจะทําเอามาทํานู่นทำนี่ท่านเห็นท่้ก็จะไล่เขาแสดงว่าไม่ภาวนาถ้ามา ต, ตรุ้งเตี้ยนเถาบริเณสาลาเท้าส่วนกลางที่มันเป็นส่วนกลางก็รู้แล้วว่าอารมณ์ น, นี้ไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นไม่ชอบภาวนา เราจะทำงานอย่างมือทครับผมเมื่นนี้ได้ฟังหลายเรื่องนะครับเก่ากับเาคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนบ้างนะครับ <c oughs> คุณพีโกรครับถ้าปัจจุบันอยู่กับศีลห้าคิดดีและฝึกสติรู้ตัวพอเพียงไหมจะไม่เกิดอบายภูมิในชาติต่อไปหรือปัจจุบันควรเสริมอะไรเพิ่มกับขอบพระคุณครับคือศีลห้าเนนนยาปกติมันก็รักษาได้กัน แต่ในยามวิกฤตเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่มันบีบบีบบังคับเรามากเนี่ยความทุกข์มาทุกข์จากความอดอยากขาดแนนคลนหรือยทุกขที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจะยับยั้งได้ป่าเวลาใครเขาทำอะไรให้เรากดแค้งกดเข่ามากเนี่ยเราจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะคิดณาฆาตพยาบาลเฉั้นเวลาตามปกตินี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่เวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเหตุการณ์ที่ทําให้เบีย บ, บังคับที่เราเรียกว่าทําให้เกิดลูกแก่ความโลภลูกแก่ความโกรธบางทีมันยับยั้งไหวหรือเปล่าสติเราจะยับยั้งได้หรือเปล่ายังถึงถ้าเป็นปุถุชนนี่ไม่รับประกันว่าจะยับยั้งไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่สติปัญญาท่านทัดท่านมีกําลังพอที่จะ ถึงแม้จะเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาที่อาจจะคิดทําร้ายทําบาปอะไรในข้อใดข้อหนึน่งนี้ท่านก็จะไม่ทํำในเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงขั้นระดับขั้นพระสวัสดาวนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะปิดอาบายได้ตลอดไปหรือเปล่าถ้าเพื่อความมั่นใจก็คือพยายามทําบุญเยอะแล้วทําบาปแล้วเผื่อไว้ว่าเกิดถ้ามีมีเหตุการณ์ที่มาบิดบังคับแล้วทําให้เราต้องทําบาป ขอให้บาปที่เราทำนี้มันน้อยกว่า บ, บุญที่เราทําอย่างนี้ก็จะทําให้ชะลอการไปเกิดในอบายไดก่อนเพราะถ้าบุญในบัญชีของเรานี่มากกว่าบาปบุญที่จะทําทําหน้าที่ก่อนบุญหน้าที่ส่งผลให้เราไปเกิดในสุขติก่อนแต่ถ้าเราบุญก็ไม่ทาเชื่อมั่นใจว่ารักษาศีลได้ถ้าเกิดภาดท่านไปทําบาปทีนี้นี่มันไม่มีอะไรมามามาต้านมาต้านบาปที่เราทํา ถ้าเราหมันพยายามทำบุญเป็นเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการสะสมพลังไผ่ดีไว้บ้างเพราะเราไม่รู้ว่าวันดีแค่ดีแล้วอาจจะพลาดครั้งไม่ทําบาปขึ้นมาถ้ า, าถ้าเราสะสมบุญอย่างสม่ำเสมอมัน ก, ก็จะมีกําลังมากแล้วพอเราไปทาําบาปครั้งเดียวนี่มันก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปต้านกําลังบุญได้เพรนั้นก็อย่าประมาท อยากคิดว่าเรารักษาศีหน้าได้แล้วเราจะเ ก, กิดรบายได้เพื่อความไม่ประมาณเราทําบุญไว้เพื่อเป็นเหมือนซื้อประกันประกันแตก็รูปบัตรอุบิเหตุกเ็เซ็ตก็เหตุสุวิสัยขึ้นมาในน้อยก็มีประกันมาช่วยจ่ายไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องคว้างกระเป๋าเองอันนี้ก็เหมือนกันเงีนพระอาสอนให้ทำสองอย่างถ้ายังทำสามคือ ใ้สอนให้ทำสารอย่างเบื้องต้นก็เอาสองอย่างแรกคือละการกระทาบาปทำปุ๋ยด้วยการถือศีลห้าละอใายามุกเพราอใบยามุกนี่เป็นตัวที่จะทําให้เราไปทําบาปง่ายขึ้นพราะเสพอใบายามุกมันมีแต่สูญเสียงเงินทองมันไม่มีรายได้เดี๋ยวเกิดเงินทองไม่พอใช้เดี๋จะต้องหาเงินในทุกจดิตนะเพราะมันติดนะติดเที่ยวติดเล่นการพนันนี้ มันเรื่องยากมันติดแล้วมันก็อาจจะบีบบังคับให้ไปทําการทุจริตเพื่อที่จะได้รายได้มามาเสริมในการที่จะเสพอาาย่างมุกต่อไปอยัางอย่าไปเสพอบายามุกถึงแม้ว่ามันไม่ยังไม่เป็นบาสมายามุกนี่ไม่เป็นบาบแต่ถ้าเสพ บ, บายมมันจะติดติดแล้วมันจะทําให้สูญเสียทรัพย์เงินทองจนกระทั่งอาจจะไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปทําบาเพื่อมาเสริม เอนรายได้มาเสริมรายจ่ายที่เราใช้อยู่ดังนต้องละการกระทำบาปละอบายมุขข้อหนึ่งในคําสอนของพระเจ้าสามข้อใหญ่ๆละการกระทำบาปทั้งตัวสอสร้างบุญสร้างบุญสมต่างๆให้ถึงพรบิวโอกาสทําบุญได้โอกาสไหนทําไปทําบุญไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินอย่างเดียวเสียเงอย่างเดียวใช้แรงงานของเราก็ได้ใช้ความรู้ของเราก็ได้ จนเป็นจิตอาสาก็ได้เวลามีการต้องการอาสาสมัครอะไรต่างๆล้วก็เป็นจิตอาสาก็ได้ือเรามีวิชาความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เขาอยากรู้อยากศึกษาเราไม่ค้อเงินทองก็ได้ก็เป็นวิทยาทานถ้ามีเงินพอที่จะทำมูลน่าก็ทําทไปเป็นให้มันเป็นนิสัยได้ดีที่สุดทํามุลทุกวันใส่บาตรทุกวันหรือถ้าไม่ใสบ่บาตรก็เอาบอยจาก หรือเอามันใส่กระปุกไว้แลพอถึงเวลาวันเกิดเราแล้วก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปทําจะได้งเงินก้อนใหญ่ทำบุญทงทีจะได้เงินก้อนใหญ่ถ้าเราไม่เก็บสะสมไว้พอถึงวันเกิดก็มีนิดเดียวเพราะใช้ไปหมดนะก็ทําปีหนึ่งก็ทําได้นิดเดียวเห็นพยายามฝึกทำบให้มันเป็นนิสัยมากน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ทําทุกวันอย่างนี้มันก็จะทําให้เรา มีการสะสมบุญได้อย่า ง, างมากอันนี้คือการการส ร, าสร้างบุญสร้างบุญส่ทั้งหลายถึงพร้อมสองข้อแรกอันนี้เป็นการปิดอบายเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดในยบายใหเยใ้เป็นว่ยในสุกติไม่กลายเป็นเทเสียตาไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลัมาละมาปทำรุญใหม่แต่ถ้าอยากจะไปนิพพานไม่อยากจะกลับมาเกิดต้องทําข้อที่สามทละใจให้สะอาดโดยสุด ชำระกิเลสตหาอันนี้ต้องปฏิบัติสีนขั้นสูงนะต้องสีนแตกขึ้นไปแล้วก็ต้องภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวน า, วป า, วนาเป็นวิธีการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธถ้าชําระกิเลสตหาให้หมดไปจากใจได้ก็ถึงนิพพานมิพุตธิหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในที่แสดงไว้ในวันมาฆบูาชา มาครับอุชานี่จะพระเจาจะทรงแสดงทำสามข้อนี้ให้กับพระสาวกที่มาฟังาเห็ระรเจ้าทุกๆพระองค์นี่สอนอย่างนี้ทุกองค์เหมือนกันหดสอนให้รับบาปสอนให้ทำบุญสอนให้ชำระจิตใจให้สะอ า, าดบ่อยคุณแอนครับถ้าใจเราสงบท่ามกลางความวุ่นวายจิตวิเวกใช่ไหมคะถ้าสงบก็วิเวก ใจสมองกรนาสวันใจไม่มึนวายใจสมองใจวิเวกวิเวกวางเวงในใจเราวิเวกวางเวงไม่มวายก่อนจิตวิเวกนี่กายต้องวิเวกก่อนใช่ไหมครับอาจารย์บางทีบางคนกรณีพิเศษเขาอาจจะฝึกด่านน้ำชาิก่อนเคยมีสมาธิมีชาดแล้วอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ติดตัวเขามา เห็นไหมเขาจะหยุดในเรื่องทําการความวุ่นวายเขาใจเขาก็เฉยเฉยคนทะเลาะกันวิวาการตกเถียงกันเราก็นั่งฟังไปเรื่อยเฉยเฉไปไม่มีปฏิกิริยานี้ก็ถือว่าจิตไม่แวกในระดับจะถึงระดับชาในไมน้สมาสมาเทศในไม้ก็นั่งใกล้เนื่องแต่อย่างนั้นไม่วุ่นวายไปกับเขาไม่ร่วมวงกับเขาโต้โต้เถียงไปกับเขาด้วยนั่งฟังไปอย่างเดียวจากแต่ลุไป ได้ยินอะไรก็ใส่แต่ว่าได้ยินคุณเดมารติเวอร์ซัลยูนิตี้ครับการวิสัการครับเหตุปัใจจัยในการสร้างการมาพบเกิดจากรูปภพการสร้างรูปภพใช้อรูปภพเป็นปัจจัยเช่นนั้นหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่ใช่เนาะการไปเกิดในการมาพบเพราะการมนนาตรหาความอยากเสกด้วยเสียงเกละปับอะ เมือาอยากเสกรูปสิ่งกิตติ์แล้วเรก็้อไปที่ที่มันมีรูปสิ่งกิตติ์แล้วให้เราเสก <Okay. S 1> จ้ะพบก็ต้องไปพบของมนุษย์พบของเดรัจฉานพบของเทวดานี่เป็นที่มีรูปสิ่งกิตติ์แล้วให้เสกเรียกว่าการปพบ <Okay. S 1> ส่วนพวกที่เป็นการรูปประพบก็คือพวกที่ได้รูปประชานผู้ที่เข้าสมาธิได้ขั้นระดับรูปประชานเวลาตายไปก็ไปกขั้นรูปประพ บ, ปปะพบส่วนท่านที่ได้อารูปประชาน เวลาตายไปก็ไปเกิดในอุปโลกน์คุณอังคณาพรครับกาบน้ำระสการ์พระอาจารย์มีญาติรมเขาขอใบอนุโมทนาบัตรในงานบุญต่างๆเขาจะได้รับบุญเต็มร้อยไหมคะไม่ได้รับเต็มร้อยเพราะก็จะไปเรียกคืนเขาทำร้อยหนึ่งแล้วก็ไปขอไปไปบริจาคไปอะไรไม่ไม่ต้องจ่ายภาษีใไใช่ ก็อาจจะได้ลดหย่อยนภาษี 10% จากจากเงินบริจากเขาก็ทำให้ 90% นั่นเองอีก 10% รัฐบาลมาทำแทนรัฐบาลบางทีก็อยากจะสนับสนอนให้ให้มีการทำบุนทำทานให้เ อ, อเื้อเฟือเผื่อแผ่ต่อกันต่ากันก็เลยมีมาตรการนี้ขึ้นมาลดหย่อนภาษีเพื่อที่จะได้ให้องค์กรสาธารณกุศลต่ตางๆมีคนบริจาค มันให้กับองค์กรสาธารณกุศลถ้าไม่มีการลดจากภาษีก็อาจจะไม่อยากจะทําก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ไปซื้อของเข้าแจกคู ป, ปองเนี่ยก็แบบเดียวกันใช่ไหซื้อห้าร้อยแจกคูปอห้าสิบบาทมันก็ลดให้เราสิบเปอร์เ็นต์นั่นเองแต่ไม่ให้เงินเราบางครั้งเราเงินนด้กลับไปซื้อของเขาอีกหั <c oughs> พวพ่อข้าวหัวใส่สครับก็แบบเดียวกันนะครับผม คุณกัญยรัตน์ครับถ้าเรานําเงินจากการถูกลอตเตอรี่มาทําบุญได้ไหมคะบางคนบอกว่าไม่ควรอ๋อได้มันเงินบริสุทธิ์มันเงินที่เป็นเงินรางวัลไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้ไปขโมยใครออกมาถึงแม้เงินที่เราไปขโมยเขามาก็ไปทําบุญได้ถ้าเราอยากจะทําบุญเราก็จะได้เอา เอาบุญที่เราทําให้มาต้านบาปที่เราทำก็เพิ่งทาไปก็จะได้ห้าสิบห้าสิบทำบาปห้าสิบถ้าเอากันทั้งหมดที่เราขโมยมาไปทําบุญหมดมันก็ต้านกันห้าสิบห้าสิบได้บุญห้าสิบได้บาปห้าสิบคนละครึ่งครงการคนละครึ่งอยู่เฉยๆดีกว่าครับไปเลยเฉยๆดีกว่าท่านนี้คุณจันทรพรครับ หมอให้กินยาและเพิ่มยาเรื่อยๆแต่คนไข่ยอยากใช้ธรรมะโอสถมากกว่าโลกกับธรรมตีกันจะทำอย่างไรเจ้าคะก็เราเป็นเจ้าของร่างกายเราแล้วจะกินยาไม่กินมันเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของหมอ เ, เขาบอกหมอเขาตอนนี้ไม่อยากจะทานยานะเพาบอกเขาเป็นตองอะไรหรือถ้าเขาเขาจะให้กินก็ไม่ต้องกินเขรับยามาแล้วก็ทิ้งเบนําไม่อยากก็ได้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปไป จะเชื่อฟังหมอตลอดเลยหรือไม่เช่ไนได้ก็เปลี่ยนหมอเอยหรือไม่ต้องไปหาหมอถ้าเราใช้ธรรมะเอาส่วนก็ไม่ต้องไปหาหมอคุณประพังกรครับเมื่อรอบตัวนี้ผมรู้สึกเบาๆเหมือนเหมือนลอยออกจากกายไปแต่มองเห็นตนเองยังคงนอนอยู่เช่นเดิมเป็นชิ้นนี้หลายครั้งครับแต่มักจะไม่ตั้งใจเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นครับมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของใจ มันดีใจมันไม่มีมันไม่คิดตรงแต่งมันแล้รู้สึกเบาสบายขึ้นมาครับคุณปุ๊กครับขอเรียนถามวิธีฝึกจิตให้มีสมาธิใช้การนับเลขสามหลักแบบถอยหลังแทนการท่องพุทโธได้ไหมคะก็ไม่รู้นะก็ลองทําดู ด, ด้ก็ได้ไหมอันนี้พูดไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะเราไม่เคยใช้การนับเลขมาก่อน คุณทวัตครับทําอย่างไรจะหายจากความกลัวครับก็ต้องไปอยู่ที่มันกลัวแล้วกลัวอะไรก็ไปอยู่ที่นั่นกลัวผีก็ไปอยู่แถวป่าช้าเดี๋ยวในเวลาเกิดความกลัวก็ต้องสวดมนต์ต้อบริการพุทโธจนกอดใจจะสงบถ้าใจสงบแล้วก็จะหายกลัวรู้ว่าความกลัวเกิดจากความคิดของเราเองผีจริงไม่หรอกผีหลอกไม่จริง ผีจริงก็คือดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วนี่เขาไม่มาเสียเวลาเหล่าเราให้เสียเวลาเขาเหรอกเขาไปรับผลบุญผลบาปมาแล้วไอ้ที่หลอกก็คือจาวลัทธิตูนแต่งไว้เองไปอยู่ที่ปา่าช้าเอ้ยเห็นอะไรวบวักวิวหวิ ว, ว, วหน่อผีมานะได้ยินเสียงแขกแขกนี่ก็ผีมานะเรื่องมีมีภาพรูปหนึ่งที่ทานเรื่องกลัวผีนี่ถ้ากลัวผีถ้าเราลงไปพาวนาะ ท, ที่ที่ในปา่าช้า รู้สึกนั้นแถวภาคอีสานนี่ก็ยังเอาศพไปเผาที่ปาชาอยู่แล้วก็มีมีมีกองของกองควงไฟแล้วศพเผาอยู่เขาไม่ไปเก็บเขทิ้งไม่กันครับก็พอนนี้ท่านก็ไปนั่งคืนนั้นก็นั่งใจท่านก็กลัวๆก้าวก้าวกลัวๆอยากจะให้มันหายกลัวก็รู้ว่าต้องไปทําแบบนี้แล้วก็ไปนั่งพยายามภาวนาภาวนาแต่ภาวนาไปสักครั้หนึ่งทะเย็นเสียงแก๊ แก๊กแก๊ท่านก็สงสัย้ผีมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่สนใจยพยายามภาณนาต่อไปมันก็ยังมาเสียงก็ยังดังแก๊กแก๊กจนน้ำทนไม่ไหวตอนแล้วเอา่าอยากจะรู้มันเป็นอะไรกันท่านก็เลยเดินไปหาที่เสียงพอาใายไฟไปเห็นหมากำลังแทกระดูกใจเราคิดปรุงแต่งไปเองหลอกเราเองสัญญาผีจริงไม่หรอก ริงญาณเขดวงวิญญาณเข้าไปไหนแล้วไอ้ส่วนชาติของร่างกายของเราเนี่มันทําอะไรไม่ได้ก็เป็นแค่มันก็เป็นธาตุดินนะถ้าบอเราต้องบังคับใจให้มากเลยการที่จะเดินไปดูพื้สูวนให้มันเห็นว่าเป็นอะไรนียอไปดูแล้วอ้อโล่งใจมามันกลับแท้อะไรอยู่อันนี้เป็นนิทานที่ได้ยินได้ฟังมานะจ ร, จริงเช่นยังไงไม่แน่ใจ อิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็มีประสบประการณ์แบบนี้ครับทุกคนน่ะกลัวกันทั้งนั้นอ่ะเราก็กลัวเราก็เคยกลัวไม่มีใครไม่กลัวหรอกอต่ถ้ามันอยากจะ ห, หายกลัวมันก็ต้องหามาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งคือต้องใช้ความยอมตายเนี่ยยอมเอะไรจะเกิดก็เกิดจะเจอผีก็เจอมันจะบีบคอเราก็ให้มันบีบคอแล้วมันจะทำอะไรเราก็ให้มันทําต้องยอมแบบนั้น ถ้ไม่เช่นนั้นมันก็จะกลัวไปตลอดชีวิตครนเราตายหนึ่งเดียวแต่กลัวตายไม่รู้กี่พันครั้งมันน่าทึ่ยวอะไรอถ้ายอมตายหนึ่งเดียวดีนว่นจะได้หายกลัวไปตลอดชีวิตครับอาจารย์แต่ความกลัวมันก็มีอีกหลายขั้นใช่ไหมครับอย่างที่ผมไปบนเขาตอนแรกผมก็กลัวกลัวอยู่กลัวอยู่เป็นชั่วโมงครับอาจารย์พอหลังจากพอหายกลัวแล้วตอนนี้ก็ไม่กลัวตอนนี้ในป่าผมก็รู้สึกผมไม่กลัวแล้ว จนวันนั้นเรียนพระอาจารย์พระอาจารย์บอกลองเสือเดินผ่านดูสิมันก็ยังกลัวเลยครับว่าก็ยังไม่ถึงยังยังไม่ได้กลัวแบบร้อยอร์เซนต์กอาจจะกลัวเรื่องในอยู่ที่เปี่ยวที่มืดแต่เวลาไปเผชิญกับอันตรายต่อหน้าต่อตาเนี่เรายักลัวอยู่ครับเดินไปเจอมูจ้าเหยกันกลางทางนี่จะรู้สึกยังไงนันเจอสันสันอันตรายนี่ ันดูว่าใจเรายัางใช้ได้หรือล่ไม่กลัวหรือเปล่ก็อยู่ที่ว่าการโปงของเราโปงได้มากน้อยเท่าไหร่ครับคุณเอกกะครับในการที่จะเกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ในโลกนั้นหมายความว่าโลกและจักรวาลที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนเคยอาศัยได้แตกดับไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่รู้นะแต่ที่รู้แน่ๆคือไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนั้นแนละ้ว เช่นพรพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนที่ท่านมาเพลนก็ไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาท่านก็เลยต้องเป็นคนค้นคว้าอาลัยศาสตร์ด้วยตนเองพอค้นคว้าท่านก็เลยเรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระอานันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คนทัปปัตถามันประเสริฐที่ทําให้ท่านได้เป็นพระานัหลุดพ้นจากปาเป็นไม้ตา ย, ยด้วยตนเองก็เรียกตนเองว่าพระพุทธเจ้า อรหันหตัดสมาสพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาจาก พ, กพุทธเจ้าได้เป็นผ้าอรหัร์ก็เรียกว่าอรหันหตสาวกสาวกก็คือเป็นผู้ฟังคำว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาเป็นนักศึกษาเป็นเป็นนักศึกษาจบเพราะได้มีอาจารย์สอนไม่ได้จบได้ด้วยตนเองคุณราวันครับ คล้ายๆเบิรครับเราจะฝึกอย่างไรไม่ให้กลัวความตายคะก็มีสองขั้นเนี่ยขั้นแรกก็ฝึกสติให้มากๆเช่นบริกรรมพุทโธสวดมนต์ให้เก่งแล้วก็ไปแปลจะไปอยู่ที่มันน่ากลัวแล้วเราเกิดความกลัวขึ้นมาก็สวดมนต์ไปบริกรรมไปไม่ต้องสนใจกับสิ่งต่างๆอะไรจะมาเกิดกำลางกายก็ปล่อยมันปล่อยไปแต่เราจะฝากเป็นฝากตายไว้กับการสวดกับการบริกรรม พอเราบริกรรมทีไม่ไม่เผลอในสติต่อเ น, นื่นองอย่าจิตก็สงบพอจิตสงบแล้วก็หายกลัวแต่มันหายกลัวแบบชั่วคราวเออเหมือนหายกลัวในในเฉพาะช่วงนั้นช่วงที่เราทำใจให้สงบแต่ถ้าเราพอสติเราเผอนํามคิดตูงแตกขึ้นมาใหม่มันก็อาจจะกลวขึ้นมาได้เห็นถ้าอยากจะให้มันหายกลัวแบบทาวรก็ต้องพิจารณาความตาย ชาติร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วทุกคนมันจะต้องตายด้วยกันไม่มีใครยับยั้งมันได้ยามากก็แค่ตายอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามันก็แค่ตายทั่นี้งถ้าเรายอมรับความจริงเราต้องตายแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรมามสร้างความความกลัวขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ายามากก็แค่ตายก็ยอมตายพอยอมตายได้จริงจริแล้วทีนี้มันก็หายกลัวแบบถาวรไม่ต้องบริกรรมอีกต่อไป ่ ม, มอาอาจารย์ครับนั้นในกรณีคนที่ไม่กลัวตายอย่างเช่นพวกวัยรุ่นที่คึกขนองหรือพวกทหารที่เขาไปออกรบอย่างนี้นครับความไม่กลัวตายอันนั้นถือว่าใช้ได้ไหมครับอาจารย์คือความไมาคือการขาดสติยับยัง้งความคิดไปทา่านเองเพียงแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์จริงๆมันก็มันต้องเกิบบความกลัวขึ mm ้นมาเหตุการณมันยังไม่เจอมันก็เพียงแตใช้ขาดคิดคิด ที่ไปใ ว, ว่าฮมันก็มันก็เป็นเป็นความคิดแบบบ้าปิงมากกว่าเป็นความคิดด้วยด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็ไม่มีใอยากจะตายใช่ไหมพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ไต้ฐาน ร, รู้ว่าไม่อยากตายกันแต่เมื่อถึงเวลาจะเท จ, จะต้องยอมตายเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อันนี้ก็ จ, จะไม่ได้ตายแบบปัญญาไม่ได้ตายแบบวิปัสนา แต่เพราะว่ายอมพลีชีพให้กับประเทศชาติเราเป็นนานแต่ก็ไปสู้ไปฆ่าเขานี้เพื่อป้องกันตัวเองถ้าฆ่าเขาได้ก็ฆ่าเขาก่อน อ, อแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ศีลธรรมนถ้าใช้ปัญญาใช้ศีลธรรมต้องไม่ฆ่ า, าต้องยอมให้เขาฆ่าอย่างเดียวหรือต้องเห็นด้วยว่าเห็นกฎไตรลักษ เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ทิมไม่ยึดตัวเรามันเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นดิกน้ํำลบไปที่ในที่สุดก็ย่อมกลับ ก, กืนสู่สภาพเดิมถ้าตายแบบนี้ยตายแบบนี้มันยิ่งใหญ่ไปเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาขึ้นมาคุณพงศักดิ์ครับช่วงนี้ผมกินยาปรับอารมณ์ถ้านั่งสมาธิจะเหมาะไหมครับก็ลองนั่งดูแต่อันี้เราก็ไม่รู้ยาปรับอารมณ์คุณมีผลอะไร หรือไม่กับการนั่งสมาธิของคุณครับคุณภูชาครับมนุษย์ที่ป่วยร่างกายอ่อนแอตั้งแต่กําเนิดสามารถพ้นทุกได้อย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ได้เพราะว่าการพ้นทุกไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาเห็นไหมร่างกายอ่อนแอถ้าจิตสามารถจะนั่งสติจะนังปัญญาได้ก็ุดพ้นได้ จะอาจจะยากง่ายมีขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางทีงร่างกายมันไม่สมประกอบอ่อนแอมีโรคอะไข้เจ็บมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่ อ, อการเจริญสติเจริญปัญญาได้แต่ถ้าสามารถเจริญสติปัญญาได้ถึงแม้ร่างกายจะป่วยหรืออ่อนแอก็มันก็ทําได้มันอยู่ที่พลังอินทรีย์ของแต่ละคนว่ามีสติปัญญากําลังมากน้อยเท่าไหร่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายน้อร ส่ว ญ, ญ่อยู่ก็อยู่ในสี่คือสติปัญญาวิริยะอังเพียร น, นัก็สมาธิคุณพรฤทธิไทยครับจําเป็นต้องบวชชีไหมคะถ้าปฏิบัติธรรมและรักษาศีลแปดอย่างเคร่งครัดและการบวชชีกลนผมกับไม่บวชชีแต่รักษาศีลแปดและตั้งใจปฏิบัติธรรมในสถานที่ปฏิบัติในที่ต่างๆแบบไหนจะได้บุญมากกว่าคะกราบสักการส่วนให ญ, ญ่ เวลาเริ่าตนก็ไม่อยากจะโกนผมนะครับเพราะยังเสียดายยังยังรักความสวยความงามของร่างกายแต่เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆพิจารณาอาสุภะพิจารณาความไม่ที่งแท้แน่นอนของสังขารแล้วก็จะเห็นว่าการปวดการปลงผมนี่มันสบายกว่าเป็นนักปวดไม่ต้องมาเสียเวลากับการคอยมาคอยตัดผมคอยมาซักมามาอะไรมาซักมาแล้วอาบน้ําก็ต้องมา ทำปราบจ่าผมด้วยอันนี้ต้องคอยหวีทํา อ, อะไรต่างๆเป็นภาระสู้โกนมันดีกว่าโกนแล้วสบายวันที่มาอยู่วันนานๆทำนั่นทำมาผมยาวอยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวนี้โกนหัวกันครับพวกนั้นเก็บไว้ทําไมมันม่ประโยชน์มัน ม, มันเหมาะกับสามคนที่ยังยังเข้าสังคมอยู่ยังต้องอยังต้องอวดสติละของตนอยู่ว่าฉันฉันหน้าตาดีนะฉันอะไรอย่างนั้น แต่คนที่เมื่อปฏิบัติก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นเห็นคุณประโยชน์ของการทําใจให้สงบเห็นอุปสรรคของการมีผมก็จะกที๊ดทิ้งกนทั้งหมดเกิดได้ทำาม น, นี่เป็นเรื่องปกติของคนที่เริ่มเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆก็ยังรักยังของสรีระของตนอยู่แต่เมื่อได้มีการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าการมีผมนี่มันเกิดขึ้มันเป็นภาระที่ไม่จําเป็นต้องมี ก่อนมางเสียสบายกว่าครับคุณโมนิก้าครับภาวนาหมายความว่าอย่างไรคะต้องทําอย่างไรคะภาวนาตามภาษาของบาลีกมาถึงว่าพัฒนา พ, พัฒนาจิตใจพัฒนาจิตในสอาระดับระดับแรกหมายถึงพัฒนาให้จิตมีความสงบจากจิตที่วุ่นวายสายแสรไปกับเรื่องราวต่างๆ มาพัฒนาให้จิตเป็นจิตที่สงบนิ่งนี้มีอุเบกขาพอได้ขั้นที่หนึ่งภาวนาเรื่องที่เรียกวิสมถาัปภาวนาแล้วก็ไปขั้นที่สองวงการภาวนาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอันนี้สอนจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของธรรมสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอันนี้เราเห็นสภาวะธรรมตรงข้ามของความเป็นจริง เราต้องจะเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาซ้วยความจริงถ้าวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นทุกอย่างมันเป็นอนิจจังแต่ว่าเราไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเรือให้มันหมดไปทันทีทันใดเราก็เลยมองไห็ว่ามันเป็นอนิจจังทุกอย่างมีเกิดแล้วะต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าอนิจจ์แต่บางทีเวลาก่อนมันจะดับนี้มันมานะอันนี้อะไรทำให้เราเกียดมันจะสิ่งนี้มันจะอยู่ไปตลอดไม่มีอะไรอยู่ไปตลอด ก็อยากไม่เที่ยมมีเกล็ดมีดับเป็นธรรมดานั่นก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมหรอครับไปสั่งให้มันไม่ดับได้นี่ว่าอนัตตาถ้าไปอยากให้มันไม่ดับอยากให้มันไม่เปลี่ยนก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาในใจอันนี้คือการการสอนใจให้ฉลาดให้รู้จ้างเห็นจริงตามสภาพผ่านมันจริงเขาสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นตายรักเนี่ อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าได้ถึงขั้นสองสองขั้ น, นี้แล้วก็จะทําทให้ตัดกิเลสตัดความลง่งตัดความอยากต่างๆได้หมดเพราะความอยากของเราเราอยากได้สิ่งที่มันดีสิ่งที่ถาวรแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะได้ได้มาแล้วจะดีจะถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดไปเราก็จะไม่ได้อยากจะได้อะไรได้มาแล้จะทุกเวลาที่สูญเสียมันไป คุณปิ่นแก้วครับกลาวนพิธการพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเราต้องอยู่ในสภาวะกดดันและฝืนต่อความรู้สึกคำสั่งบางครั้งขัดแย้งในใจในเรื่องความถูกต้องแต่ต้องนิ่งเฉยควรใช้หลักธรรมข้อไหนเพื่อให้ใจนิ่งสงบคะก็แล้วแต่ว่าเรามีทางเรือกหรือไม่มีทางเรืองถ้าเราไม่มีทางเรือกเราก็ต้องใช้สติคลับกับใจ รอยกาพูดโธพูดโถให้ใจมันนิง่งถ้ามันยังไม่ยอมนิง่งเราก็ต้องรอยการพูดโถไปเรื่อยเพื่อให้ใจมันนิง่งคุณตุ๊กครับขออนุญาตถามก่อนบวชพระาอาจารย์อ่านหนังสือเล่มไหนเจ้าค้าจึงตัดสินใจบวชคือหนังสือธรรมเล่มหน้าที่ได้มามันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยที่เป็นต้องมีแจกฟรี ที่ประเทศศรีลังการประเทศศรีลังการนี้ก็มีองค์กรหนึ่งเรียกว่า Buddhist Publishing Society PBS BPS คือเป็นองค์กรที่มีการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกแล้วก็มีพิมพ์หนังสือธรรมะขายด้วยถ้าเปรียบที่ก็เหมือนกับมหาวมกุฎน้างมหาวิมกุฎที่อยู่หน้าวัดโมที่ีนบางลำโูง น, นี้ก็มีที่เป็นแหลงหนังสือธรรมะ ตอนเยาวชนหนังสือจะเป็นเป็นขายกันไม่มีแจกฟรีเรืออาจจะมีหนังสือธรรมะแจกฟรีด้วยก็ไม่แน่แต่พอดีได้ได้หนังสือที่ก็าแจกฟรีเล่นเล็กๆมาเล่มไม่ใหญ่แล้วพูดถึงเรื่องอนิจจังพูดถึงเรื่องตายนั้นแต่เขาแบ่งเป็นสามเล่มเอาได้เล่มรที่พูดถึงเรื่องอนิจจังแล้วมันก็ต่อกับความคิดเห็นของเรามาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นอนิจจังเห็นคนตายแห่งศพตั้งแต่อายุประมาณสักสิบสองขวมัน แล้วเราก็ฝังอยู่ในใจว่าทุกสิ่งทุอย่างมันไม่เที่ยงนะเแต่ว่ายังไม่รู้วิธีการปฏิบัติทํามันอย่างไรเพื่อให้ใจเราไม่ทุกกับมันยังนยังไม่รู้ใจนั่งยอมเห็นว่ายั่งเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงคนเราทุกคนต้องตายกันมันก็เลยทำให้เราสนใจว่าแล้วก็อพระเจ้าทรงที่ทางออกคือการปฏิบัติมากมากแปอะไรกับเราเนี่เพื่อให้เรา ถ้าจิตใจเราไม่ทุกกับการเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่มีในรลกนี้มันก็เลยทําให้เราอยากจะอ่านหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติบางแบบก็ขอก็ขอไปเขียนเขียนไปเขมามันเพิ่มมาไปเรื่อยๆจนทันได้หนังสือสติปัฏฐานสี่มาแล้ mm hmm. ก็ได้แนวทางของการปฏิบัติ mm hmm. จันทร์สตินั่สมาธิอนาปนสติแล้วนั่สมาธิ เวลาแม่นั่งสมาธิ ก, กายยะกตาสติคอยดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปปฏิบัติอยู่คนเดียวส่นวนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านคนเดียวปฏิบัติไปบางครั้งก็ออกไปที่ขคร่ำคยวญๆสถานที่บางแห่งที่เงียบๆก็ไปบ้างบางครั้งรู้สึกว่าพร้อมที่จะบวชก็เลยตัดสินใจบวชเพราะมันทําให้มีความสุข มันไม่ใช่สุขตลอดเวลาเวลาที่ภาวนาแล้ได้ผลจิตสับมันมีความสุขอย่ า, างน้ำเชื่งเวลาที่เพลิ ส, สติควบคุมจิไตไม่ได้ตอนนั้นก็ทุกข์ทรมารมันพุงสร้างมามันยากมันอะไรของมันขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็จะรู้สึกทรมาร์แต่ถ้าได้สติปั้นี่ภาวนารีบเจริญสติปั้นไปก็ช่วยนะนรับจับความพุงสร้างครับความทุกข์ความเครียดได้เป็นพักๆไปผัด ก, กันรับผัด ก, กันสู้ไปผัด ก, กันรับผัดกันเลิกไป จนรู้ว่าพอที่จะเอาไหวแนละ้วคิดว่าหลายคนนี้ไม่แพ้แนละ้วเพียงแต่ว่ายังเอานอกเ อ, เอาชนะเขาไม่ได้แต่วรู้ว่าเขาเอาเขาก็นอกเราไม่ได้แล้วก็พร้อมที่จะไปดูแได้อาจารย์ครับเรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะว่าเป็นของอดีตชาติใช่ไหมครับอาจารย์น่าจะเป็นเรื่องนนะสติปัญญาของเราค ว, วจะมีอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว เ, เรื่องการเห็นอนิจจ์เรื่องของความตายเนี่ยเห็นแล้วมไม่ ไม่เศร้ามันไม่กลัวนะมันเพป็งแต่ว่ามันก็มันก็ปกสมัยในที่สุดของเราทุกคนก็ย่อมมีการท้าทายกันไปแต่เรื่องความกลัวตายมันคงยังมีอยู่เท่าที่จำได้ทั้งคนยังมีอยู่เห็นได้ว่ามันเริ่มเยอะมันเริ่มเห็นว่าความจริงมันต้องตายกัทุกคนแล้วไม่ไม่ถึงกับคนผูกใจเรือกลัวอะไรมันไม่มีแล้วมันก็มันเจริญต่อด้วยมันเจริญมานั้นมันสติอยู่เรื่อยเือเห็นใครรู้จักใคร พอไปรักไปชอบใครวา้เดี๋ยวก็ต้องตายจากกันนะมันก็เลยมันก็เลยตัดความผูกพันได้เอยอะถึงอยู่อยู่มาเป็นโสดได้มาตลอดไม่เคยมีไ ม, ยมไม่เคยมีแฟนไม่มีใคยมีคู่คุณสุภิมนครับปฏิบัติมา20กว่าปีแล้วเคยถามมานานแล้วพระอาจารย์บอกให้ภาวนาโดยใช้ปัญญาต่อได้แล้ว แต่พยายามมาหลายปีพิจารณาในเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบางครั้งบางเรื่องก็จบแต่บางเรื่องก็กลับมาอีกเหมือนพิจารณาไม่ได้ผลทั้งนั้น ท, ที่ก็ใช้หลักว่าอะไรก็ตั้งอยู่ดับไปหรืออะไรอะไรก็อนิจจังทุกขังอนะตาประมาณนั้นเช่นเรื่องความเศร้าหมองในจิตเป็นบ่อยๆทั้งๆ้งที่ได้พิจารณามานานมากแล้วขอความกรุณาให้แนวปฏิบตัติต่อด้วยนะเจ้าคะเป็นพระคุณยิ่งอ๋อสติสมาที่เรายังมีกำลังน้อย ยังไม่มีเบเรคขาออกตอนนี้ต้องฝึกสมาธิฝึกสติให้มากาให้จิตนั่งสมาธิและสมองได้นานใ้ยิ่งได้นานให้ปล่อยวางเฉยให้วางเฉยได้ตอ น, นค่อยมาถามปัญญาต่อคุณใหญ่ครับการเรียนถามครับถ้ากําหนดคําบริกรรมในใจอย่างเดียวเมื่อคําบริกรรมหายเราจะกําหนดอะไรต่อครับมันหายเพราะเราไม่บริกรรมมันก็หายเลย เราก็บริกรรมใหม่มันก็กลับมาแล้วอยู่ดีๆเราไม่บริกรรมมันก็หายไปเมื่อมันหายแล้วก็บริกรรมต่อยกเว้นว่าถ้ามันหายไปแล้วจิตสงบนิ่งก็ไม่ทำบริกรรมต่อถ้ามันนิ่งสงบแล้วก็แสดงว่าคําบริกรรมก็หายไปโดยอัตโนมันติถ้ามันหายไปแล้วมันยังคิดปรุงแต่งอยู่มันก็แสดงว่าเราขี้เกียจบริกรรมมากกว่าเราก็ทาบริกรรมต่อไปเลยคุณอภิชาติครับการนวัชการครับ ถามสองข้อครับอาจารย์ข้อที่หนึ่งถ้าเอาอัฐิพ่อแม่ไปเก็บไว้ในโบสถ์จะสมควรไหมครับก็แล้วแต่เราเราอยากจะไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นข้อที่สองครับสร้างพระพุทธรูปแล้วเอาอัฐิไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระจะเป็นการสมควรไหมครับก็ทําได้นะไม่มีกฎห้าไม่มีการถือกฎกติกาไม่บาปไม่เป็นบุญเป็นเรื่องของเขาจัดการกับวัตถุเหมือนกับจัดการกับ มีถ้วยแก้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนดีจะไปเก็บไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปก็ได้จะเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าตู้ในห้องครัวหรืออะไรก็ได้มันก็เป็นการจัดการเก็บวัตถุชิ้นหนึ่งครับอันที่ก็มันก็เป็นวัตถุธรรมดานี้พ่แต่เรายังยึดติดอ่ะสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่นะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นนะมันเป็นแค่วัตถุมันมีเป็นแค่เป็นเป็นเป็ท่าดิน อย่างหลงตาท่านจักการกับกับอธิของบารดาท่านอย่างไงท่านก็ไปลอยไม่ใต้โคมต้นโพในวัดในวัดมีต้นโพอยู่ต้นพอพอเผาเสร็จตอนเช้าก็ให้เจ็บมาดูเก็บเก็บที่เถ้า ไ, เไาไปบูชาที่ใต้ต้นโพเราบอกว่าไปบูชาก็ก็ุทธธรรมประสมบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ทําได้แล้วแต่ละคนจะบางคนก็ไปลอยอย่งางค่าบางคนก็เก็บไว้ในบสถ์ ในวัดบางทีวัดก็มีวิธีหาเงินไงเขาก็เลยทําช่องให้เก็บอัฐิไว้คนที่อยากจะทําบุญมทําบุญแล้วก็สามารถมีช่องไว้เก็บอัฐิของบิดามารดาปุยตายาได้อันนี้เป็นอุบายของวัดหาเงินใช่ไหมเพราะต้องการให้มีรายได้จากการบริจาคของญาติโยมถ้าไม่มีเหตุบังคับบางทีญาติโยมก็ไม่อยากจะบริจาคแต่พอมีเหตุบังคับบริจาคก็ะดูกพ่อแม่ไปเก็บไว้ขยายดีป่ะ ต้องไเก็บไว้ในบทในวัดก็ดีนะเันที่เหมาะสมก็ เ, เลยต้องไปลอยจากเพราะว่าทาวัดเขาก็มีราคาใช่ไหมอย่างที่ที่วัดบนเขานี่ก็มีกุฏิอยู่กุฏิหนึ่งนะการโยมเข้ามาสร้างถวายแล้วก็ขอทําช่องเก็บอัฐิไว้เก้าช่องด้วยกนะันาอทําเผื่อเวลาบิดามารดาตัวเขาเองอะไรตายไปแล้วก็พอตายเผาเสร็จเก็บอัฐิมาเก็บไว้บรรจุบนไว้มงกุฎ ท, ท, ที่กุฏินั่นนะ ตามไปดูเลยไม่รู้ตอนนี้แต่งหรือย่างเองไปดูว่โอ้ในบนเขาบนเขาชิโอนครับตทุกสันส่นน้ำปานาก็เห็นอยู่นะครับอาจารย์ใช่บางวัดเขาก็บางวัดเขาก็จะมีช่องเก็บเวลาส ร, ร้างกุฏิแล้วก็จะมีช่องเก็บอัฐิไว้ให้เจ้าภาพของกุติ oh. ที่เขา oh. ทางทีก็อยากจะเอามาเอามาเก็บไว้ที่ที่วัดเขาก็ทําช่องเก็บอัฐิไว้ให้พอถึงเวลาตายเขาก็อัฐิมาไว้แล้วก็แผ่น แผ่นหินอ่อนสละชื่อของคนตายไว้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ปาเปิดช่างไว้แล้วบางทีเพื่อนก็มาทำทุทีเพื่อนก็มาถวายภาพบัรษกุลทาร่วมรวมญาติพี่น้องกัน ค, คุณจันจิราครับการาบเรียนถามพระอาจารย์เริ่มนั่งสมาธิกราสติประฐานสี่ก่อนจะนั่งด้วยไหมคะ ไม่ต้องกลับเกลียดไม่ต้องไว้โ ค, ค้งไหว้ครูหรอกขอให้มีสติอย่างเดียวเท่านั้พอถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปก็ไม่ได้ผลก่อนจะมานั่งสมาธิต้องฝึกสติให้มากๆให้ไม่ให้ใจลอยให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับว่างกายได้อยู่กับพุทธโธแล้วเวลาจะนั่งสมาธินั่งได้เลยไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรทั้งสิน้นแต่จะมีก็ไม่ห้ามสมัยคนนี้ก็ต้อง ตั้งน้โมก่อนพูดโทรทำโมและทั้งโกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคแต่เราวนี่มันไม่มีพิธีกรรมนะถึงเวลาเขาขึ้นเวทีก็ชอบแบบมวยสาคนคุณ <c oughs> วิทยาครับนั่งสมาธิชอบสับ ป, ปะงกมันสวดมนต์แทนการ น, นั่งได้ไหมครับได้ได้เพราะแสดงว่าสติเรามีน้อยเพราะนั้นปุ๊บแล้วมันก็จลมน่มวง คุณดวงพรครับท approved, ําอย่างไรถึงจะไม่โกรธเวลามีเร right> ื่องมากระทบเจ้าคะก็อย่าไปหวังอะไรจากบุคคลและสิ่งต่างๆเลยความโกรธมองเราเกิดจากความหวังหวังว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้ในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้พอไม่ได้เป็นไปตามหวังก็โกรธเสียใจอัดทําใจให้เป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดลราจะไม่จะไม่โกรธใครเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากใคร เอาหวังไนงะหวังให้เขาช่วยเราเพราก็ไม่ช่วยเราเราก็โกรธเขาอะไรในชะ่ไหมงั้นอย่าหวังตัดความหวังออกไปเสีดยึดตอนเป็นที่พึ่งของตอนเนีกว่าอยากจะได้อะไรก็ทําตามกามลังของเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปหวังอะไรจากถนะ่ารแล้วมักจะมักค่อยโกรธใครคุณเอสพีครับเขาการเรียนถามครับ เราใช้ชีวิตอยู่กับทางโลกเราควรกําหนดเป้าหมายชีวิตอย่างไรดีถึงจะถือว่าดีที่สุดสำหรับที่ใช้ก็ขอให้เราเป็นคนดีคือมีศีลมีธรรมศีลก็คือศีลห้าธรรมก็คือเมตตากรุณ า, าบุญญาเมตตาความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ถือใครเป็นจัตรุมองคนทุกคนเป็นนิสไม่ทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเสียหายหจากการกระทํา การพูดของเราถ้าช่วยเหลือเขาได้ให้ความสุขกับเขาได้ด้วยวิธีใดก็ทําไปอันนี้คือหลักของการการอยู่ในเรื่องนี้อย่างมีความสุขอยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความมีศีลธรรมอยู่ด้วยพงไม้หารศีลเมตตากรมณาวุลิตาเป็นคาคุณธีระครับเวลาทํางานปกติหรือยังไม่ได้หลับนอนมีสติหรือความรู้สึกตัวได้ แต่เมื่อนอนหลับสติหายไปไหนครับบางครั้งก็รู้ว่ากําลังฝังอยู่ครับมันหยุดทํางานมันไม่หายเลยนะมัน ม, มันหยุดทํางานมันมัเลยทําให้เราหลับพอเราตื่นขึ้นมาสติก็เริ่มทำงานต่อครับคุณจ่าครเป็นถามพระอาจารย์ค่ะลอตเตอรี่เป็นอบายยมุกไหมคะก็อยู่ที่เราเล่นยังไงถ้าเล่นแบบการพนันก็เป็นอบายยมุกแต่ถ้นเราคิดว่าเป็นการอ ทำบุให้กับรัฐบาลเพราะงั้นนี้รัฐบาลก็เอาไปส่งเคราะหคนยากจนสร้างโรงพยาบาลส่างอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วเสียงโชคอนั่นวันนี้ก็ไม่เป็นธรรมัยมั้งเล่นพอของปากของของไม่เล่แบบเอาเป็นเอาตายกับวันนี้ถ้าเล่นแบบเอาเป็นเอาตายจะต้องจะต้องได้ถ้าถ้าขาดทุนวันี้ต้องต้องเล่นเพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่จะถอนทุนคืนถ้าเล่นมาตรฐานี้ก็เป็นเล่นแบบอาธรรมัยเล่นการ ก็เป็นอาบายเรื่องหวังก็เป็นอาชีพเรื่นลอตตลีเป็นอาชีพหรือเป็นหวังเีื่อาการเรื่นลอตตลรี่แล้วเราจะกําไรมากกว่าขาดทุนนี่ก็เหมือนการเล่นการพ น, นับคุณเยาวนีครับทําบุญแล้วทางวัดติดป้ายประกาศหรือสลักบนของที่ถวายวัดบุญที่ได้จะเป็นแบบไหนคะก็แบบเดียวกันเดียวกับที่ไม่ได้สลักเลย บางไม่สลับนี่อาจจะได้มากกว่าเพราะว่าลดอัตราตัวตนได้ตอนที่ยังให้คนอยากรู้นี่ยังมีกิเลสอยู่ออยังมียังมีหน้ามีตายอยู่แต่คนทําที่แบบปิดทํามหลังพัะนี่ไม่ต้องปิดชื่อเนะถ้าก็อยากจะให้แสงเชื่อเขาบอกพูกไม่นก็สงคออกนาม อ, อย่างนี้ก็จะได้ดีมากกว่าได้ความสุขใจมากกว่า การที่ไปประกาศชื่อแล้บางทีเขาเขียนชื่อไม่ถูกก็เสียใจแล้วไม่สบายใจจะกดชื่อผิดะหรือไปใส่ชื่อไม่ถูกตำแหน่งหรืออะไรตำรองนั้นก็อาจจะทําให้เกิดมีความไม่เสียใจมีความไม่สบายใจหรือบางทีทําว่าลืมใส่ชื่อไปลืมประกาศชื่อตอนนี้ก็ยิ่งเสียใจอย่างั้นบุญที่เราได้มันก็เลถูกความเสียใจมาบังมาไว้ บุนที่เราทำมันก็ยังได้อยู่แต่มันูกความเสียใจความปิดบังมามาปิดบังบุญที่เราความสุขที่เราพพิ่มู่ได้ในตอนนั้น ค, คุณอังคณาพรครับพระอาจารย์ขอถามค่ะเวลาเดินจงกรมสามารถเปิดธรรมะฟังไปด้วยได้ไหมคะก็ไม่มีข้อห้ามถ้าเรามีเครื่อง เดี๋ยวนี้มีมือถือเราใช้มือถือคฟังเดินไปฟังได้ก็ฟังไปเพราะม่นมีข้อห้ามไม่ทำได้คุณกรณครับถ้าบวชแล้ววงเด็ฟว่าเป็นพระบวชใหม่ครับอยากสละทางโลกเพราะเบื้องเบื่อทางโลกมากครับมารู้ทีหลังว่ามีหนี้ที่ต้องใช้เราควรทําอย่างไรดีครับไม่อยากศึกเลยก็หาวิธีใช้หนี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง อาจจะถ้าไม่ถ้าถ้าไม่สามารถทีถ่จะอยู่แล้วใช้นี่ได้ก็ต้องศึกไปก่อนไปใช้พระไปไปใช้นี่ให้มันหมดกันแล้วค่อยกลับมาบวชใหม่คุณนิ่มครับการสร้างความสงบก็คือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ perception attitude ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ มันก็มีส่วนมันจะให้เราเห็นว่าความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขในรูปแบบมันจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากกินการดืการเที่ยว ก, การดูมาร์ชสดบางทางต่างก็เปลี่ยนมาเป็นการหาความสุขจากการทำใจให้สงบคุณแอมมครับขอเลี่ยนถามเวลานั่งสมาธิบางครั้งตามลมหายใจไม่ทัน รู้สึกว่าการหายใจเริ่มไวขึ้นจะแก้ไขยอย่างไรดีเจ้าคะมันมันอะไรมันจะไวไยเท่ากับสติเอไม่มีหรอกสติมันไวจะตายไปไอ้ลมมันช้ามากลมกระลมเข้าลมออกนี่เราดูไม่ทันแล้วเราจะไปดูไรทันใช่ไหมลมมันก็หายใจเข้าหายใจออกกว่าจะกวจะเข้าไปกว่าจะออกมาเนี่ยต้องใช้หลายวินาทีด้วยกันมันช้าจะตายไป ถ้ามันช้าขนาดนั้นยังดูไม่ทันแล้วมไมนรู้ไม่เข้าใจว่าดูยังไงแสดงว่าไม่มีสติมากกว่านะสติมันยังมีกําลังน้อยเลยมองไม่เห็นใจมันจะลอยไปคิดเรื่องอื่นซะก่อนมากกว่าเหตนถ้ายังดูลงไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีบริกรรมพุโทโธไปดีกว่าสำหรับผู้ที่ยังดูลงไม่ได้ก็ใช้ทำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดไปภายในใจก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งดูลง วสติขอวเาอาจจะยังมีกำลังไม่มากพอที่จะจอดูลมได้อย่ต่อเนี่องลมไม่หายไปนะสติมันไม่อยู่กับลมแต่ไหมมันไปที่อื่นนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตามลมไม่ทันคุณ ด, ดารพรครับคนที่ชวนคนนำเงินไปลงทุนมีเจตนาหลอกลวงและไม่คืนเงินจะได้รับผลกรรมอย่างไรคะก็พบนานชาติหน้านก็อย่าองถูกคนเข้ามาหลอกเรากลับได้ห แนวทางที่เรามีอยู่ก็จะถูกคนเขาก่อไปทําอะไรได้ทําอะไรก็ได้อย่างนั้นกลับขึ้นมาในโกงเงิเข้าก็ต่อไปก็ต้องถูกคนไหนเข้ามากองเงินครับอย่างนั้นตอนนี้ที่เราถูกโกงก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาติก่อนเราไปโกงเขาคิดอย่างนี้ก็เลยก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ได้เขาคิดอย่างนั้นก็ได้คุณเดิมมัลติเวอร์ซัูนิตี้ครับวิ ญ, ญญาณที่บุญบาปไม่มากอยู่แบบเร่ร่อนเขาอยู่ที่ใดครับ ก็อยู่ในที่เดียวกับสวรรค์อยู่ที่เดียวกับพวกเทวดาพวกเปรตพวกอะไรนะเพียงแต่สภาพของวิญญาณนั้นมันไม่มันไม่มีความสุขมันอยู่ในโลกทิพย์ทั้งหมดวิญญาณต่างๆนี้อยู่ในโลกทิพย์ทั้งหมดต่างกันตรงที่ว่ามีสุขหรือมีทุกข์มากหรือน้อยต่างกันอถ้ามีสุขมากกว่าทุกข์เราก็เรียกว่าสวรรค์เป็นเทพต่างๆถ้ามีทุกข์มากกว่าสุขก็เรียกว่าบายพวกเปรตพวกอสุรกาย พวกนรกนี่เขาเป็นวิญญาณที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะทําบาปมากกวา่าทำบาปมากกวาา่าทําบุญนั่นเองคุณต้าครับอาจารย์วิศการครับถ้าเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นง่ายคิดว่าต้องตั้งสติบ่อยๆควรทําอย่างไรดีครับให้ใจเสถียรขึ้นเขาแนะนำต้องพยายามเจริญสติเรื่อยๆอตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอเปิดตาขึ้นมาน้อง ถืองานแรกที่เราต้องทำก็คือจงร่างสติก่อนทาพุโทโธไว้เลยพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ไปทำเก็ดส่วนตัวก็พุโทโธไปอาบน้ำก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัววิ่งผ้าวี่ผมรับประทานอาหารแล้วก็พุโทโธเอาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติควบคุมมานมณได้ คุณรุ่งนภาครับเวลาทําบุญกรวดน้ําอุทิศให้ตัวเองก่อนใช่ไหมคะคอยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ้านายเวรถูกไหมคะเราจะได้บุญไหมคะไม่ถูกหรอกไม่อุทิศให้เราทําไมก็เราเป็นคนทําบุญเรามีบุญอยู่แล้วเราไปอุทิศให้เราอีกทำไมเอะไรมาอุทิศมันก็บุญที่เรามีอยู่นี่การอุทิศนี้หมายถึงอุทิศเป็นการแบกให้ผู้อื่นผู้ที่เขาไม่มีบุญคือพวกดวงวิญญาณที่เป็นเปรตนี่นะเขาไม่มีบุญเขาต้องมาข อ, อบส่วนบุญจากเรา เราทำบุญแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนหนึ่งไปให้เขาไม่ไม่ได้อุทิศทั้งหมดบุญที่เราอุทิศไปนี่น้อยมากเราบอกเปลี่ยนเหมือนกับน้ําที่ติดอยู่ในแก้วเวลาที่เราเทแก้วเทน้ําออกจากก้าวหมดแล้วอันนั้นคือบุญอุทิศนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของเราทั้งหมดเราไม่ต้องอุทิศแล้มันอยู่กับเราอยู่แล้วเป็นของเราอยู่แล้วคุณธวัฒครับเวลานั่งสมาธิแล้วชอบตกใจครับ เสียงเป็นเพราะอะไรครับเพราะสติเรายังมีเวรกรรมเหล่าน้อยมันอ่อนไหวง่ายกับอะไรที่มากระทบแรงๆถ้าฝึกสติไปแล้วเราไปจิตจะนิ่งจะเฉยแ้ะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสะุกเหมือนเมื่อก่อนคุณปียพรครับหลายวันก่อนโดยสารเครื่องบินหลายครั้งและทุกครั้งจะเจอหลุมอากาศ โดยผู้โดยสารกรีดลองทั้งลํารู้สึกกลัวมากขณะนั้นพยายามสวดมนต์และท่องพุทโธ ร, รู้สึกกลัวตายมากกลับมาภาวนาฝึกให้ไม่กลัวตายขอคําแนะนําพระอาจารย์ค่ ะ, ะก็คืออย่างที่ได้พูดไปลุงแกแล้วลล ว, วิธีแก้ความกลัวตายก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือการใช้สติสวดมนต์ท่อพุทโธไปก็จะนรับความกลัวว่าได้ชั่วค่ะแต่ถ้าอยากจะให้ความกลัวหายไปอย่างถาวรก็ต้องพิจารณา วาร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ไม่เทีย่ยงเกิดมาแล้วต้องตายเป็นไปเป็นธรรมดาต้องพ้ววนความตายไม่ได้ถ้าเราอยอมรับความจริงข้อที่ได้เราก็จะไม่กลัวตายาเพราจะอยอมตายเมื่อถึงเวลาที่มันจะตายเวเครื่องมันจะตกก็เอาอย่างมากก็แค่ตายวนะ่ะพร้อมตายถ้าทำอย่างนั้น้ต่อไปจะไม่กลัวตายต่อไปถ้ายังอยู่ต่อนนะถ้าเครื่องมันไม่ตก แต่ถ้าตอบก็ก็ก็ตายแบบสบายตายแบบไม่ไม่ทุกข์เพราะได้ปลงนะก่อ น, ก, อนก่อนที่จะตายตายอยา่างสงบจิตจะสงบไม่วุ่นวายครับผมอย่างนี้เป็นมีโอกาสบรรลุได้ตอนก่อนตายเลยใช่ไหมครั บ, รบอาจารย์ใช่โมเดลเนี่ยคนใกล้ใกล้กลาตายหรือคนที่จะความเจ็บปวดมากๆเนี่ยจะสามารถมีดวงตายเห็นธรรมได้ถ้ามีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้ว แต่แต่ว่าต้องเจอเหตุการณ์มันกระตุ้นให้ปัญญาเดินอย่างที่เขามีพูดว่าทุกอทุกบ่มีปัญญาบ่าเกิดคพอมีทุกปั๊บนี่ต้องเจริญใจรักนะพิจารณาว่ามันเป็นของอ น, นิจจังทุกขงัง อ, อ, อนัตตาพอยอมรับมันได้ปั๊บใจก็ปล่อยกใจก็จะหายทุกแต่ความเจ็บหรือความตายมันก็ยังอยู่ของมันอยู่การมันไม่มาสะเทือนใจเหมือนตอนที้ไม่ไม่ได้ใช้ปัญญา อันที่ไม่ได้ยอมรับความจริงดั้นคนเราจะบรรลุบางทีมันต้องมีเหตุการณ์บังครับพระสองพรปฏิบัติที่ชอบไปอยู่ที่มันน่ากลัวอยู่ในป่าในเขามันจะต้องคอยตรงอยู่ ด, ด้วยนั่งปรองอยู่ตลอดเวลาคุณรุ่งนภาครับเวลาทําบุญระลึกถึงพระนิพพานอย่างนี้เราได้ไหมคะได้แต่ไม่ได้พระนิพพาน ในแต่การระลึกครนี้พริพานจะนด้นี้ต้องปฏิบัติธรรมไม่ใช่แต่ทําบุญอย่างเดียวทําบุญแล้วต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมวัดเจริญสมาธิเจริปัญญาเจริญสติถึงจะสามารถไปถึงพรนิพานได้คุณมีโรติก ค, ครับมีธรรมะหรือวิธีปฏิบัติธรรมแบบหมู่บ้านที่เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับ ก็ต้องใช้สติเนี่ยเป็นพื้นฐานครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่โรคซึมเศร้าเห็นไหมว่าถ้ามีโรคซึมเศร้านี้อาจจะยากกว่าการยากในการที่จะจระลึกสติได้เพราะขนาดคนที่ไม่ซึมเศร้าคนปกติธรรมดา ย, ยังรู้สึกจะระลึสติได้ยากแต่ถคนซึมเศร้านี้จะไม่มีสติพอที่จะรู้วิธีจะระลึกสติเพราะจิตใจมันจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ทําให้ตัวเองเศร้า คือความผิดหวังคือความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ด้วยสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปก็สูญเศร้ากินไม่ได้นอะนไม่หลับอยากจะได้สิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่กลับมาอันนี้ก็ยากไม่เป็นโรกสูญทศร้าได้แต่ถ้าไปพบครูอาจารย์เทศารรมพุโทโธไว้นะพุโทโธไว้ส่วนมันไปแล้วถ้าท่านเชื่อท่านเนยพยายามเท่าพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าทำได้ทักชั่วโมงเนึ่งอาจจะเริ่มเห็นตสมเหตุให้จิตเราดีขึ้นกันได้ ้าาตองันทํคุณพัทระครับการนันสการพระอาจารย์ครับคําว่าจิตวิเวกในหัวข้อวันนี้มีลักษณะเป็นเช่นใดครับก็จิตสงบจิตที่เป็นสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งสังก่จจวัตรจิตหนึ่งสงบปราศจากความคิดปุถุตที่จิตจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องอาศัยกายวิเวกก่อนร่างกายต้องมาอยู่ในที่มันสงบสันตก่อนเพื่อจะได้าาไม่มีอะไรมาคอย กิจควาการเข้าสู่ความสงบของใจถ้ามีรูปเสียงกิจต่างๆมันจะมากิจความมันเป็นนิวรณครับคุณเอ็มอาร์เอครับการที่เรานึกถึงบุญที่เราเคยทําไว้ดีแล้วบ่อยๆเรียกว่าติดบุญหรือไม่ครับไม่หรอกติดบุญต้องทําบุญบ่อยๆเพงคิดจริงๆไม่ได้ติดบุญหอต้องทําแต่การติดบุญนีนก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะ มันกัคนที่กินยาต้องกินยารักษาโรคภายไข้เจ็บของตอนเองต้องกินอยู่เป็นประจําเป็นคนเป็นโรคเบาหวานก็ต้องกินยาลดเบาหวานคนเป็นโรคคอเลสเตอรอลสูงไม่ต้องกินยาลดคอเลสเตอรอเป็นยาแบบนี้ไม่ไม่มีประหาอะไรเป็นประโยชน์เช่นเดียว ก, การติดบุญทําบุญมากทลาย ไ, ได้ยิ่งดีเพราะบุญมีแต่คุณไม่มีโทษแต่การเลือกเฉยๆไ ม, ม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เป็นแต่ทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นแป๊บนึง ทุกครังที่เราคิดถึงบุญ ท, ที่เราไปทำมาเาก็รู้สึกเออมีความสุขแต่เดี๋ยวนะยเดกกียวนั้นพระยาช้ามันสุขมากกว่านั้นต้องไปทําไปทําบุญไ่คุณเจบี้ครับตอนนี้มีคอร์สปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดไหนบ้างไหมคะถือฝีลแปดฝักสามวันครับก็ <S 1> <S 1> ต้องไปเราไม่มีหเราไม่มีจัด ก, การคอร์สเมื่อต้แต่บวชมาไม่เคยจัดคอร์สเคย อ, อะก็มีแต่มีแต่พูดธรรมะให้ฟัง แนะนำวิธีการปฏิบัติถ้าอยากจะปฏิบัติวัดที่มีคอยก็ต้องคนหานใน g o o เ l e าเดินน้องดูว่าวัดที่มีการปฏิบัติธรรมะแค่นี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาบอกเาแล้วคุณพาวเ a c ซิงครับ จิตคิดอกุศลไปเองแต่เราดูจิตรู้ว่ามันจะคิดแบบนั้นแต่พยายามห้ามความคิดแบบนั้นเป็นการปรามาย์ไหมครับตั้งแต่ฝึกหัดสมาธิแล้วเป็นครับคิดเองแต่พยายามระ ง, งับไว้แต่ตอนนี้เริ่มหายอาการอากุศลดยการไม่ยึดในสิ่งที่คิดหันมาภาวนาพุโทโธระ ง, งับไว้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมครับ ถ้าเราหั่มันได้ก็ถูกต้องเพราะความคิดที่เป็นกุศลมันจะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ไม่เป็นอกุศลที่ไม่ที่เป็นอกุศลถ้าเราะหลั่งไฟได้แต่ต้นนมมันก็จะไม่ลาบปากเป็นไฟใหญ่ถ้าเราปล่อยให้มันออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยมันมจะเป็นเรื่องแปรามากขึ้นไปมันถูกต้องนะครับถ้ามีอกุศลความคิดอกุศลเพื่อนเกิดขึ้นมาต้องใช้สติหยุดมันทันทีหรือใช้ปัญญาสอนใจให้ไม่คิดไปในทางนี้ ก็จะนำไปสู่ภาานะครับนำไปสู่ปัญหาต่างๆคุณรุ่งนภาครับเวลาจะนอนกราบไหว้พระตรงที่เรานอ น, อนได้ไหมคะได้นอนที่ไหนก็กราบได้คุณสมพรครับ โยมทำงานเพื่ อ, อยังชีพจึงไม่ได้มุ่งความก้าวหน้าที่จะต้องไปเหยียบหัวคนอื่นคือมีความสุขมีความพอใจในหน้าที่ที่ทำไม่มุ่งหวังจะเจริญในการทำผลงานทางวิชาการที่เกินความสามารถและท่าแท้ตัวตนไม่มีความต้องการคำถามคือพวกน้องๆคนรุ่นหลังจะดูถูกเอาได้ที่เสมือนอยู่กับที่เหมือนเดิมอาจดูเป็นการขี้เกียจไปหรือไม่ครับควรใช้หลักทำข้อใดน้อมกับขอคาแนะนาพระอาจารย์ครับ แล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะมองเราอย่างไรก็ไม่เป็นก็เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขกับการทําของเราเราไม่ไปทำเราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทําให้ใครเก้าเหนี่ยงนอสเสียเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็ปล่อยเขาดูถูกไปเป็นเรื่องของเขาคุณสัมพรถามต่อนะครับโยมมามองกิเลสตัวเองแทนการไปเพ่งโทษกับผู้อื่นและเห็นว่าได้ผลดียิ่ง น้องกราบสาธุธรรมของพระอาจารย์แต่โยมจะต้องทำอย่างไรบางทีโยมก็ลืมดูกิเลส ข, ของตัวเองแสดงว่าโยมยังขาดสติอยู่ใช่หรือไม่ครับน้องกราบพระอาจารย์ครับถูกต้องถ้าเราไม่มีสติเราม้ากจะไ ม, มองคนอื่นมากกว่ามองใจเราแต่เวลาเรามีสติเราก็จะเห็นใจเรานั่นพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆโดยสติแล้วมันใจจะส่งออกไปข้างนอกทันทีถ้ามีสติมันก็จะดึงกลับเข้าข้างใน คุณนิรบุตรครับผมเคยบวชให้พ่อแม่ตอนเรียนจบแล้วครั้งหนึ่งแต่ตั้งใจจะบวชอีกครั้งถ้าแฟนท้องเพราะคิดว่าการบวชดีอยากปฏิบัติธรรมและการบวชจะทําให้ได้แต่ทําเต็มที่อาจจะบวชสักหนึ่งเดือนก็ดีแล้วคิดแบบนี้ดีไหมครับก็ดีการบวชมันดีเพียงแต่ว่าบวชมากบวชน้อยบวชน้อยก็ได้ผลผลดีน้อยบวชมากก็ได้ผลดีมากบวชหนึ่งเดือนก็ได้ผลแค่หนึ่งเดือน ถ้าบวชไม่เสร็จ้วก็จะได้ผลดีกว่าเยอะแยะก็อยู่ที่การลงทุนอะเหมือนการลงงินเอาฝากมันในธนาคารร้อยบาทเราก็จะได้ดอกเบี้ยแค่ไม่กี่บาทถ้าฝากล้านหนึ่งเราก็จะได้ดอกเบี้ยมากคุณยุทธพงศ์ครับกาบเรียนถามครับบางครั้งที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกถึงปิติน้ำตาไหลบ้างสุขใจบ้างตามความเข้าใจคือเริ่มเข้าปฐมฌานหรือเปล่า แล้วถ้าอยากฝึกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆควรฝึกปฏิบัติและพิจนารณาอย่างไรครับเพื่อให้เข้าถึงฌานสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงอรูปฌานครับก็เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นเราดูลมก็ดูลมต่อไปจนกว่าจะถึงฌานที่สี่แล้วไม่ต้องไปสนใจตอนนี้เราอยู่ฌานที่ชานหนึ่งฌานสองฌานสามเพราะเราไปสนใจปั้มเราจะหยุดภาวนา ท, าทันทีแล้วเราก็จะไปต่อไม่ได้ฉะ e นั้นเราอย่าไปคิดอะไรทั้งสิ้นเวลาที่เราภาวนา ให้อยู่กับลมไปและอยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวยจนกว่าจิตจะรวมสูขข่ความสงบนิ่งสงบแล้วจะความว่างจะความสุดล้วก็จะหยุดภาวนาไปเองนะคนั้นมีคําถามน่าสนใจแต่ว่ามีชื่อครูบาอาจารย์องค์อื่นผมขออนุญาติถามพระอาจารย์นะครับเขาถามประมาณว่ า, อ, าอย่างเราบรรลุหรือว่าปฏิบัติธรรมก้าวหน้าถึงขั้นไหนเนี่ยมีการได้ไปเล่าให้ ครบาอาจารของตัวเองฟังบ้างไหมครับอาจารย์ครับก็มีบางครั้งท่านก็ไปไปสวด น, นาไปกราบเรียนเพื่อให้ท่านได้พิจารณาว่าเป็นอย่างไรบางรูปก็ไม่ได้ไปไปกราบเรียนก็ได้เพราะท่านก็รู้อยู่แก่ใจมีความพอใจมีความมั่นใจในตอนนี้ก็แล้วแต่แต่ละองค์จะมีนิสัยไปในทางไหนพระองชอบให้มีคนมาช่วยยืนยันอีกทีก็ไปไประาบเรียนให้ท่านฟัง ก็ดีเพื่อเพื่ อ, พอบความรอบอาบางทีตัวเองอาจจะหลงตัวเองก็ได้นะครับเวลาท่านสอนแะล้วทบอเออถูกต้องนะครับเราก็จะได้ออสบาใจเราไม่หลงตัวเองครับอันนี้ก็แล้วแต่จะแล้วแต่จลินสายกันแต่ละคนครับคุณสมพรครับโยมมีหลานในวัยเด็กโยมไม่ได้เลี้ยงดูด้วยเพราะโยมอยู่ในวัยเรียนจึงไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้ช่วยเลี้ยงดูจึงเสมือนไม่ค่อยได้ผูกพันทางจิตใจนัด ต่างกับหลานที่ได้ร่วมงานเลี้ยงมากับมือจะรู้สึกดีต่อใจเสมือนพ่อแม่ได้เลี้ยงลูกของตนเองด้วยตัวพ่อแม่เองอย่างนี้โยมต้องใช้ธรรมะข้อใดดีกับกรณีที่โยมไม่ได้ร่วมเลี้ยงดูเสมือนความเมตตาที่มีต่อหลานก็น้อยกว่าหลานที่โยมได้ร่วมเลี้ยงดูมาขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับเราก็ต้อใช้หลักเหตุผลนะเขาก็เป็นคนที่เราควรที่จะให้มีความเมตตา เ, ออเขาเท่าเทียมกัน ถ้าเราทำอะไรให้เขาได้เราก็ทําให้เขาไปแต่มันก็เนื้อห้ามไม่ได้ก็คือความรักความชอบคนบาคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับความดีความความชอบของของเขาด้วยก็ได้ถ้าเป็นเขาเป็นคนดีเราอาจจะชอบเขามากกว่าคนที่เขาไม่ค่อยดีแต่เรื่องของการให้ความเมตตาต่อเรื่องของของการช่วยเหลือในเรื่องของพื้นฐานเนี่เราก็จะให้เท่าๆกัน ถ้าเขาขาดปัจจัยสิ่นี้แล้วก็จะให้เท่าๆกันแต่ถ้าเราเห็นว่าคนนี้คนดีเขาเอส า, ามารถที่จะทําคุณประโยชน์จากสิ่งที่เราให้เขาได้มากกว่าคนที่ไม่ดีเราก็จะให้คนที่ดีมากกว่าคนที่ไม่ดีให้คนไม่ดีไปแล้วก็ไปผ่านไปเสพยาเสพติดไปดื่มเหล้าอะไร่างนี้มาให้คนหนึ่งนี้เขาไปไปทําคุณทางประโยชน์ให้กับสังคม เรากจะสนับสนันคนดีคนดีให้เขามากกว่าคนที่ไม่ดีถึงแม้จะเป็นลูกนาร์ของเราก็ตามเราก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของของตัวของเขาว่าเขาจะไปทําคุณเป็นเรื่องไป ท, ทําทษถ้าไปทำโทษก็ไม่สนับสนุนเลยก็ได้ทีนในให้เงินยนก็ไปแล้วแล้วเขาก็เป็หยุดชรายามืา่อไปเสพยาเสพติดนี่แล้วก็ไม่ควรให้ให้ได้ก็เพงแต่ปจัจจัยสี่ให้เขามีอาหารกินใน ที่อัศัยเสื้อผ้าแต่จะไม่ส่งเสริมให้เขาไปใช้เงินในทางที่ผิดก็ต้องมีการใช้ปัญญาวิเคราะห์ในแต่กรณีไม่ใช่ว่าพราเป็นลูกเป็นหลานแล้วต้องให้เท่าเทียมกันหมดทุกคนให้อย่างนั้นก็ได้แล้วแต่การการขอละหาและความไม่พอใจของลูกที่ได้น้อยปาปก็อาจจะทำแบบนี้ก็ได้พู่แม่บางคนก็บางให้เท่ากันหมดเลยมีทรัพย์สินอะไรก็ให้สายชื่อลูกทั้งหมดเลยใน ในทรัพย์สินนั่น ล, ล้ะได้ก็ไปแบ่งกันเอาเองคุณครอบครับดูแลคุณแม่สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์แต่มีบางครั้งก็มีโมโหคุณแม่บ้างรู้สึกผิดเราไปขอโทษท่านแต่ท่านก็ลืมไปแล้วเราจะบาปไหมครับถ้าเราทำผิดไปแล้วมันก็บาปกาพยายามเตือนสติเราเรื่องลงโทษเราก็ได้ทุกครั้งที่เราไปทำนู่นเกินคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ ลงโทษเราลงทษกิเลสเราให้เราชอบดูอะไรก็งดดูสักสักวันสองวันชอบกินอะไรก็อย่าไปกินมันสักวันสองวันก็เป็นการปาบกิเลสของเราไปเวลาเราจะไปร่วงวก็ร่วงร่วมงละเมื่อร่วมเกินพ่อแม่เราจะได้คิดถึงว่าต้องถูกลงโทษนะแล้ว็าจจะไม่ไม่ทำหรือทุกครั้งที่เราเข้าหาพ่อแมแ่ให้คิดว่าเรากำลัง เ, เข้าหาพระเพราะงันถ้าเรา ไปหาพระนี่เราคงจะไม่กล้าที่จะไปทาอะไรพูดอะไรที่ไม่ไม่ถูกไม่ควรหรือเข้าหาพระราชาหมาขษัตว์ก็ได้ยกพ่อแมให้เป็นพระราชาหมาขษัตริย์เป็นพระอาหารของเราเลยแล้วเราจะได้มีสติสตังมีความระมัดระวังในการที่เราจะตอบโต้ทําในการที่เราจะแสดงทีอย่าการต่างๆคุณย่าตามครับบอกว่าสวดอิติปิโส ม, มากกว่าอายุหนึ่งจบครับ เพิ่งทําดีใหมครับขออนุญาตถามครับเอ้ทาให้มากกว่านั้นได้ยิ่งมากยินดีสวดไปยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีสวได้รับชั่วโมงได้ยินดีจะทําให้จิตใจสงบเย็ยนสบายไหมความสุขแล้วจะทําให้จิตมีพลังมีสติจะ ต, ต้องสวดบ่อยๆนะไม่ใช่สวดแค่ครั้งเดียวต้องสวดให้มันเป็นนิสัยเช่นก่อนนอนก็สวดทักชั่วโมงเหมือนก่อน น, อนี้ทุกวันถ้าประกันได้ว่าสติเราจะดีขึ้นเนยอะ ถ้าถ้าสวนมากอันนั้นได้เวลาที่เวลาไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็สวดไปภายในใจก็ได้ทำอะไรอยู่ที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็สวดไปในใจก็ได้คุณอมาราครับนั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เคยมีสมาธิจะได้บุญไหมคะก็ได้บุญในส่วนที่มีความเพียายามแต่ยังไม่ได้ผลเหมันปลูกต้นไม้แต่ยังไม่มีด่อนไม้ยังไม่ออกดอก ก็ไไไไดดด้้้้แแตต่่่นนยังมมถคุณสิริดาวันครับขอกลับเรียนสอบถามหนูเสียอาที่สนิทกันมากค่ะเสียไปช่วงเดือนมีนาปีนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเพราะป่วยช่วงโควิดก่อนตายไม่ได้สั่งเสียทุกใจมากค่ะกังวลว่า ญ, ญาติอยากจะสั่งอะไรไหมได้แต่ทําบุญภาวนาสมบุญให้จะทําอย่างไรเพื่อให้ใจก้าวข้ามปมนี้ได้บ้างคะกลับน้ำสการค่ะ ไม่ต้องกังวลหรอกถ้าใครยาสรสั์ก็โทรมาบอกแล้วนะต้องนานแล้วอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของคนของคนว่าเวลาคนจะใกล้ตายนั้นต้องไปอยู่ใกล้ๆเขาหน่อยเป็นไปก็ไปไปดูก็เรียกว่ดูใจนะหรไปดูอะไรกันอันนี้มันเป็นจะไปทําอะไรก็ไปนั่งดูไมได้ทาประโยชน์อะไรหรอกไม่ต้องไปก็ได้ครับถ้ามีอะไรสังเกตเห็นก็โทรไปถามก็ได้มีอะไรอยากจะสามหรือเปล่า อยากให้ทําอะไรหรป่าหนละังจากที่ไม่อยู่แล้วก็สั่งมาได้แต่ถ้าก็ไม่มีอะไรสั่งก็ถ้าเขาไม่โทรมาบอกไม่มาติดต่อเราก็แสดงว่าเขาไม่มีอะไรอยากจะสั่งเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรนี้คุณอัญญาณีครับจิตรวมมีอาการอย่างไรครพระอาจ า, ารย์ก็บางทีก็เหมือนกับกตกตกลงจากที่สูงแล้วก็นิ่งสงบเย็นสบายขึ้นมา มันจะเหมือนกับอมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเจิตที่วุ่นวายการเป็นจิตนิ่งเงียบสงบไปเหมือนกับที่เราอยู่ในห้องที่มีเสียงดังแล้วก็ทึกก็กดแล้วทันทีดังไดมันเงียบขึ้นมาทันทีมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นในการในการปรับตัวอย่างกระทันหันจากวุ่นวายใจกลายเป็นจิตสงบขึ้นมามันนิ่งเงางาเงียบขึ้นมา คุณนราทิปครับอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาขอท่านพระอาจารย์อธิบายและวิธีปฏิบัติครับอธิก็คือขั้นสูงและขั้นยิ่งใหญ่ศีลขั้นสูงสมาธิขั้นสูงอธิจิตก็คือสมาธิขั้นสูงปัญญาขั้นสูงก็คือขั้นของพระอริยบุคคลถ้าของผู้ช่วยชอเรียกว่าศีลธรรมดาสมาธิธรรมดาปัญญาธรรมดาแต่พอเข้าสู่ขั้นระลับ โซดาบางนะทีนี้สิงห์นั่นก็จะเป็นอธิสิงห์สมาธิวันนั่นก็เป็นอธิเจ็ดปัญญานั่นก็จะเป็นอธิปัญญาคือปัญญาที่พิจารณาเพื่อถอดถอนสัมโภชสัยทุทธ์เพียงอย่างเดียวจะไม่สนใจกับปัญญาเรื่องทางอื่นนะคุณหนูรักครับขอกลับเป็นถามพระอาจารย์ค่ะคือดิฉันเคยเดินจงกรมอยู่ เดินอยู่ในบ้านค่ะทาแบบนี้ประจําแต่พอตอนกลางคืนนอนหลับฝันว่ามีคนมาขออาบน้ําในบ้านอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกับเดินจงกรมหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวน่ะมันเรื่องของความคิดปูกแต่จริงแล้วอย่างหนึ่งคําว่าคําว่าจงกรมนี่มันไม่ใช่รอรอเรองนะัต้องเป็นรอเลยบอกไว้เพราห็นเขียนมาผพ่งหลายลายแล้วจงกรมนี่ต้องเป็นกรอร อ, อรอเลยอไม่ใช่รอดอ พระอาารย์อีกสองคำถามนะครับคุณนิรันดร์ครับคล้ายๆกันครับเดินจงกรมคนเขียนถูกครับพราจาย์เริ่มแรกต้องปฏิบัติอย่างไรครับมีแต่นั่งอย่างเดียวแล้วเดินข้างในบ้านได้ไหมครับได้เริ่มแรกก็ต้องมีสติฝึกสติไว้ก่อนที่จะมานั่งสติเราฝึกได้ในชีวิตประจำํำวันตั้งแต่ตืน่นขึ้นมาแลาก็ต้วงเจริญสติได้เลยด้วยการพุทบริกรรมพูดโชว์พุทธไป หรือด้วยการเข้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเนี่ว่าเป็นการเจริญสติถ้าเราไม่มีสติเวลามานั่งมันจะนั่งไม่ได้ผลนั่งก็ไม่สงบนั่งนั่งไม่ได้นานนั่งพยายามฝึกสติให้มากมากก่อนแล้วพอมานั่งมันกานั่งได้นานทั้งหมดได้เร็วคํำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณปิกกี้ครับ พอตั้งใจจะดูลมหายใจเข้าออกมันเกิดความไม่เป็นธรรมชาติของลมหายใจขึ้นมาทันทีประมาณว่าเราไปกําหนดให้ลมเข้าหรือออกจะทําอย่างไรถึงจะเป็นแค่ผู้ดูลมหายใจแบบธรรมชาติของมันจริงๆคะเราอย่าเพิ่งไดูลมอย่างนั้นแสดงว่าจิตเรามันมีปฏิกิริยาก็ให้ใช้คําบริกิริยาไปเพียงอย่างเดียวก่อนไม่อใดที่ไม่ต้องดูลมหรือส่วนมันไปสักพักกสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาดูลม เพราะจิตเรามีมีสติมากขึ้นจิตมันก็จะมีควาสมสงบมากขึ้นมันก็จะไม่มีปฏิกิริยาต่อมันต่อไปถ้าเริ่มต้นดูลงไม่ได้ก็อยากขึ้นไปดูสวนมนต์ไปก่อนแล้วบริกรรมพิโทโธไปก่อนอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน f a c e b o o เจ็ด้อยหกสิบสาคนใน y o u t u แปดร้อยสองครับใน Clubhouse 2ี่สิบเอ็ดวันนี้มีคนฟังด้วยกันหนึ่งพันห้าร้อยแปดิบหกคนครับอาจารย์ครับ ก็ยินดีกับทุกท่านที่มาร่วมความเทศสังทั ب กันก็คิดว่าหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเราจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไปก็คิดว่าสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิพิจารณาไปปฏิบัติก็อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ สาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมพูดฟังไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าถ้าไม่มีอะไรเป็นยูปประสาก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเดิมเวลาเดิมขอเจริญพรขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์ครับ